อาจารย์ครับการนมันสการครับผมจ ร, ริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับอาจารย์ครับก่อเข้ารายการของญาติอาจารย์เมื่อเช้าคุณส่บัตรเยอะไหมครับสามร้อยยี่สิบเจ็ดยีเจ็ดทางบ้านเยอะๆอยู่เหมือนเดิมไหมครับอาจารย์ก็ประมาณสองร้อยเนอะมัน <K> ตรงนี้ยังเป็นเทศกาลกรถิญอยู่นะครับอาจารย์วันาอาทิตย์สุดท้ายแล้วเชาวที่หน้าก็พ้นพ้นกระถิญแล้ววันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของเวลาที่จะถวายผ้ากรถินได้ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองข้ามอันนี้ก็อาทิตย์สุดท้ายวันจะลอยกระทงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ลือเรื่องใดพอคนส่วนใหญ่ก็อาจารย์ถวายกระถินวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดใช่<า>แต่มัน แต่สาวที่หน้ามันเลยมันเลยไปแล้วพอลอยกระทุ่มวันสุกรงวันสุกหน้าเป็นวันสุดท้ายวันเสาร์หน้าถวายผ้ากระถินไม่ได้สาวที่หน้าต้องเป็นผ้าป่าแทนเป็นผ้าป่าเขายังไม่เข้าหมายงานแต่เราไปยึดติดกับคําว่ากระถินว่าเป็นบุญใหญ่ไปได้การถวายหลักเดิมทีก็คือการถวายผ้าให้ผ้าภิกษุได้เปลี่ยน ของที่มันขาดมันเก่าแ่นั้นเองแต่ธรรมเนียมเปลี่ยนมาเป็นว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่าปีหนึ่งจะทำสักครั้งหนึ่งก็ต้อ ง, ง, งรวมรวมกำลังซัพเพราะต้องการที่จะช่วยปฏิสังขรเบญนะท้าววรวัตถุนในวัดด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะถวายผ้าเพียงอย่างเดียวแนเองแต่ถ้าต้องการจะทำบุญทำาได้ทุกวันทุกถวายผ้าได้ทุกวันถวาย ปัจจัยเงินทองเพื่อที่จะปฏิสังขรณ์ได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีเวลาจำกัดครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อธรรมมเพื่อความหลุดพ้นครับก็อยากจะกล่าวข อ, อบเมตตาพระอาจารย์ให้ให้ปัญญาพวกเราด้วยครับครับความเมตตาครับเ่อความรู้ก่อนที่เราจะได้เราก็ต้องผ่านขั้นตอนคือขั้นแรกก็ต้องศึกษาความรู้ที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ เรียกว่ปริยัติธรรมศึกษาคำสั่งคำสอ น, นต่างๆของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาเราได้รู้แล้วว่าพระุทธเจ้าทรงสอนให้กระทําอะไรทรงสอนให้ละ ก, การกระทําบาป ท, ทั้งปวงสอนให้สร้างบุญสร้างบุญลทั้งหลายถึงพร้อมสอนให้วยชำระจริตใจให้สะอาดเราก็นําออกไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สองพอปฏิบัติครบทุกอย่าง ก็จะได้ขั้นที่ฐานว่คือบรรลุมรรผลมิพานตามลำดับของการปฏิบัติก็เหมือนกับาา ก, การเรียนหนังสือทางโลกทางโลกก็ไปเรียนโรงเรียนต่อนได้แล้วก็ไปสอบสอบได้ก็ได้รับปริญญาขั้นต่างๆเป็นรรยาเตโทเอีกนี่คือแนวทางของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางพระพุทธศาสนา ควาทุกข์ก็คือโรคภายไข้เจ็บของจิตใจนี้เองโรคของความเครียดโรคของความซึมเศร้าโรคความวิตตวิตตกกั ง, งวลหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นโรคของจิตใจไม่ใช่โรคของร่างกายใช้วิธีรักษาโรคของร่างกายมารักษาโรคของจิตใจไม่ได้เพราะว่าเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจมันไม่มเหมือนกับเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย เหตุที่ทำให้ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนให้รู้ความเป็นจริงแล้วก็ต้องปฏิบัติให้จิตมีพลังเพื่อที่จะหยุดในสิ่งที่ที่คอยผลักดันให้ใจไปสร้างความทุกข์อยู่เรื่อยๆหยุดกิเลสตัณหานะ กาจะหยุดก็ต้องมีกำลังตอนนี้ญาติยมความเทศความทางหรือว่า ก, กิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์แต่ก็หยุดกิเลสไม่ได้ซึ่งกิเลสไม่ได้เพราะจิตยังไม่มีกำลังก็ต้องไปสร้างกำลังกำลังของจิตก็คือสติถ้ามีสติที่มีกำลังเต็มน้อยก็จะสามารถหยุดหยุดจิตทําจิตให้นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเพราจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิก็สาม า, า, มารถหยุดกิเลสตัณหาได้ เวลาเจอกิเลสเจอความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสก็ใช้กำลังของสมาธิและใช้ปัญญาปัญญาก็จะบอกว่านี่คือกิเลสความทุกข์นี้เกิดจากกิเลสตัวนี้อยากอยากเป็นนั่น อ, น, น, นอยากจะเป็นนี่เบานคนอยากจะเป็นพระประธา น, นาทีปฏิปีแต่เลือกตั้งผ่านไปแล้วเขาได้เลือกไปแล้วคนที่ไม่ได้เป็นนยอย่างอย่างเป็นอยู่ก็เองจะทุกข์อยู่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เลิอกอยากเสีย มันก็จะได้ไม่ทุกข์ว่าอยากยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าไม่มีกําลังของสติที่จะหยุดจิตได้คนที่ความอยากมันก็ยังอยากอยู่น้่ะมันก็ไม่เปไ็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปีสี่ปีหน้าก็อลองเลือกตั้งใหม่สนับใหม่แล้วก็ไปทุกข์ใหม่ไปทุกข์เวลาไม่ได้เลือกตั้งอ่า น, นี่คือ ปัญญาก็อต้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของที่ไม่แน well. ่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้มาน้วเดี๋ยวมันก็นมนหมดไปไม่เที่ยงอนิจจ์หน้าตาเราไปกําหนดไม่ได้ว่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราก็ทําให้เราทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกใจก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถ้าอยากจะถ้าอยากจะลองสมัครก็สมัครได้แต่ต้องทําใจอาจจะได้อาจจะไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ทุกแต่ถ้าลองสมัครแล้วต้องอยากต้องได้พอไม่ได้ก็จะเสียใจทุกใจแต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าอมันเรื่องของการไปรับตําแหน่งไปยศไปรับยศอะไรนี่มันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็มีวันสิ้นสุดลงอมีจารานี้ก็มีเสียอ เว่าเจริญก็สุขแต่เวลาเสื่อมก็จะทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็อย่าไปให้อยากดีกว่าตัดความอยากไปใจจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับการดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่อยากได้แลว้วเมื่อได้มาก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องดิ้นรนรักษามันอีกแล้วเวลาที่มันรักษามันไม่ได้มันจากมาไปก็ทุกข์อีกทุกทุกขั้นตอนทุกถึด่านเริ่มต้น ต้งแต่ความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพอได้มาก็ต้องมาคอยรักษามันทิกแล้วพอรักษาไม่ได้มันก็ทุกข์อีกสูญเสียมันไปถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรเนั่นดีที่สุดความไม่มีอะไรก็คือถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีทุกข์ตาม มีอะไรมันก็ต้องมีทุกข์ตามมามีลาภก็ต้องมีทุกข์กับลาภมียศก็ต้องทุกข์กับยศมีสรรเสริญก็ต้องทุกข์กับนินทามีสุขก็ต้องทุกข์กับทุกข์ที่ตามมาถ้าไม่ม <paragraphs> <Okay. S 1> ีอะไรมันก็สบายแต่ความอยากบ่อยก็จะอยู่กับความว่างอย่างเดียวอามาไม่มีไม่มีเพศไม่มีภัยอามว่าไม่มีวานเปลี่ยนแปลงไม่มีเจลาไม่มีเสื่อ น, นี่ก็คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือหยุดยุดความอยากที่จะมีนั่นมีนี่ได้ น, น, นั่นได้นี้พอหยุดบรนได้แล้วทีนี้ก็อยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าพราลัทธสาวงนี้ท่านไม่มีอะไรท่านไม่มีลาบยศเสริญสูงท่านไม่ได้แสวงหาแต่ถ้ามันมาท่านก็ท่าน ก, ก็ไม่ถ้านก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาทนั้นท่านก็พิจารณาดูถ้ า, าไปทําประโยชน์อย่างไรได้ก็ไป แต่สำหรับตัวท่านเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์ท่านไม่อยากได้อะไรท่านอยู่กับความไม่มีอะไรเนี่ยมีที่สุดถ้ามีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีมีภรรยามีสามีก็ต้องทุกกับภรรยาทุกกับสามีมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมียศมีตําแหน่งก็ต้องทุกกับยศตําแหน่งมีมีงานมีทางก็ต้องทุกกับเงินทอง มีอะไรมันต้องทุกข์เพราะมันต้องคอยดูแลรักษาแล้วการักษาไม่ได้บางทีมันก็เสื่อมเร็วหมดแล้วพอมันเสื่อมมันหมดก็ทําให้ทุกข์อีกนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คนที่ว่าต้องจ่ายเงินเช่นราคายาสารเสริมสูงเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนอะเพราะมันไม่เทียมไม่มีบัลลีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าแต่ถ้าไม่รู้จักวิธีอยู่แบบไม่มีก็อยู่ไม่ได้ วิตดีอยู่แบบไม่มีแล้วก็ต้องจักทําใจให้สงบให้หนึ่งให้หยุดความอยากเพราะความอยากมันทําให้เราไม่ไม่สุขพอมีความอยากแล้วมันรู้สึกว่าเราขาดมือขาดที่ต้องมีนั่นต้องมีนี่แต่พอเราทําใจให้สงบหยุดความอยากได้ความรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่าขาดมือขาดนี่มันมันไม่มีมันรู้สึกอิ่มมันเต็มความสงบของใจให้ความสุขให้ความอิ่ม พยายามฝึกจิตทำจิตให้สงบเราก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้นลกแสวงหาสิ่ ง, งต่างๆที่มีในโลกนี้เมื่อไม่แสวงหาแล้วจิตก็จะไม่ชุกกับอะไรต่อไปถึงไม่จะสัมผัสกับรากยึดสารเสริญสุขก็เป็นแบบหยดน้ำมนใบายบัวไม่ซึมซาบไม่มดูดเข้าหากันไม่ยินดีรกับรากยึสารเสริญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใจเลินหรือฝ่ายเสีย่ย เวลาเจรลญก็ไม like ่ยินดีเวลาเสื่อมก็ไม่ไม่เสียใจไม่ยินร้ายเฉยๆจิตไม่มีความอยากกับอะไรทั้งหมดทั้งหดจิตนั้นนี่สามารถอยู่โดยไม่มีรายได้แต่เราไม่เคยฝึกกันจิตเราถูกกิเลสหลอกให้เราต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้กันทุกคนในนอกที่มาเกิดนี้เพราะกิเลสมันหลอกให้มาว่าต้องมีราบยกชนะเสือต้องมีรูปสิ่งเดียวแล้วถึงจะมีความสุข แต่ไม่รู้าเป็นความสุขใ น, ในความสุขอัมพรามความทุกข์ไว้แล้วก็ต้องอดทุกข์กับเวลาที่มันเสือ่อมปัญญารรมุจจำมองมองเห็นทะลุความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามีเกิก็ต้องมีดับเพียงแต่มัญช้าอยู่นะถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะ เลิกเลิกอยากได้ไเลยเรื่องอย่างมีอะไรเลิกเลิกอยากเป็นอะไรอยู่กับความว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรดีที่สุดต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆที่พระเจ้าทรงสอนละการกระทำบาปสร้างบุญสร้างบุญส่วสร้างทําความดีต่างๆเมื่อมีโอกาสทําได้ก็ทํา แล้วก็ให้ไปชําระจิตใจให้สะอาดบ่อยสุดมันข้อที่สามที่สาคัญที่สุดเนยเป็นงานที่ต้องทําถึงจะหมดพ้นได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เป็นการสนับสนุนให้เราไปทํำงานงันสําคัญนี่ขอบพระคุณพระอาจาร ย, า ย, ย์ครับให้ปัญญาเยอะเลยครับสุดท้ายต้องไม่ต้องไม่อยากได้อะไรเลยครับอาจารย์ไม่อยากได้เรก็อยู่เฉยๆได้ใช่ไหม พยานก็ไม่เคยใช้ไม่ได้เลยครับแต่ถ้าของที่มีอยู่แล้วนี่เราก็พิจารณาว่าเออเราเตรียมพร้อมที่จะสละไปมันก็นพร้อมนะถ้ า, ามันไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ก็สละไปเลยจะได้พิสูจน์ว่าเราไม่ยึดไม่ติดจริงๆไม่ต้องการมันจริงๆแต่เพียงจะบอกว่ามันไม่เก็บไว้ก่อนเนื่อมันก็ไม่น่ามันก็อาจจะยังมีความเยื่อใหยอยู่มีครับเสียดายอยู่ ถ้าไหนมันจําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เอาให้ไปบ่อยจากไปเลยอย่างพระเจา้าวสระบ้าน ส, สมบัติไปเลยไมอย่งั้นเดี๋ยวมันถูกถูกกิเลสหร อ, อว่าโอ้รู้ว่าแต่เราไม่ยึดไม่ติดแต่ขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทําไมถ้ามีึดไม่ติดอาจารย์ครับมีเพื่อนเพื่อนถามบอกว่านั่งสมาธิแล้วสงกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่บ่าเพียงจะไม่ได้ผลไม่ได้ไม่ได้สมาธิเสียเวลาวิธีแก้ก็คืออดอาหารน่นดีที่สุดกินอาหารน้อยถ้าจะนั่งก็นั่งตอนก่อนกินข้าวดีอย่าไปนั่งตอนหลังกินข้าวถ้านั่งตอนหลังกินข้าวรับประกรันได้หลับทุกรายแต่ถ้านั่งก่อนกินข้าวนี้ไม่หลับเพราะมันหิวพอมันหิวแล้วมันจะไป็ง่วงแต่มันจะทนความหิวไม่ได้นั่งแล้วมันจะคิดแต่เรื่องอาหารได้ ก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ถ้าคิดถึงอาหารการคิดถึงอาหารที่มันออกมาจากร่างกายอย่าไปคิดตอนที่มันเข้าไปเห็นตอนที่มันเข้าไปมันน่ากินเอยู่ในอาจารย์เห็นตอนที่มันออกเข้าไปอยู่ในโถเนี่ยก็อาหารมันยังไม่ใช่เลยครับอ่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันที่น่าดูน่าชมน่ากินเนี่ยมันมันจะกลายเป็นอะไรมันก็ต้องกลายเป็นอุจจาระในที้สุด รับประกันได้ถ้าอยากจะใช้วิธีการอดอาหารก็ต้องพยายามมองถึงอุจจาระบ่อยๆเวลาคิดถึงอาหารอยากเวลาหิวอยากจะกินก็เรากำลังจะกินอุจจาระนะไม่ได้กินอะไรหรอกอาหารนู่นอาหารนี่มันพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็กลายเป็นอุจจาระในที่สุดอาจารย์กล้องมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าเสียงได้ยินนะเดี๋ยวผมปรับแป๊บหนึ่งนะครับไปก่อนอนุญาตถามคำถามจากเพื่อนก่อนครับคุณแหวนครับ พระพุทธเจ้าตัดว่าเธออาศัยเรือข้ามฝัง่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่แบกเรือไปด้วยคําว่าเรือในที่นี้หมายถึงร่างกายหรือหมายถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงสิ่งใดกันแน่ครับหมายถึงธรรมที่เราปฏิบัตินีไยเช่นศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเหมือนเรือเป็นเครื่องมือปัญญาเป็นเหมือนยาเวลาร่างกายไม่สบายหมอให้ยามาก็ต้องกินยาพอกินยาหายแล้วก็ไม่ต้องกินต่อเลือกกินยาได้ อหลุดพ้นแลก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเจริญสตินั่งสมาธิแต่ศีลนี่มันก็เป็นโดยเป็นมันไม่ต้องมันไม่ทิ้งอ่ะเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นติดมันเป็นธรรมชาติของจิตไปเพราะจิตจะหลุดพ้นจิตไม่มีข่าวโลก็ไม่มีข่าวที่ที่อยากจะไปทําบาปกับใครอ่านพระพุทธเจ้าบาลานี่ไม่ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาธรทำเพื่อหลุดพ้น แ้่ท่านอาจจะนั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนจิตใจได้หรือจะเรีนปัญญาเพื่อเอาเอาธรรมมาสอนมาแสดงธรรมก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดได้แต่ไม่ได้ใช้เพื่อที่จะมารักษาโลกของของตอนเองคือโลกของความทุกข์ที่มีอยในใจเพราะมันหมดแล้วไม่มีความทุกข์แล้วปัญญาที่กินอยารักษาโรคพอโรคหายแล้วก็ไม่กินแต่ยังอาจจะกินยาบำรุงต่อได้กินยาวิตามินกินยาอะไรตามความ เหมาะสมได้แต่ยาที่รักษาโรคนั้นมันไม่มีความจำเป็นจะต้องกินการทําบุญคนจนมีเงินน้อยทําน้อยคนรวยบางคนทํามากแต่เหมือนเอาหน้าแบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับคือบุญบ้างบุญงามมันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราสละไป้จไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินคนสองคนนี้ทําบุญงินจํานวนเงินไม่เท่ากันแต่อาจจะได้บุญเท่ากัน เช่นคนมีเงินหมืน่นทำสิบเปอร์เซ็นก็ทําไปพันหนึ่งคนมีแสนก็ทําไปสิบเปอร์เซ็นตก็ทําไปหมื่นหนึ่งคนที่ทําหมื่นกับคนที่ทำหนึ่งพันนี้ได้บุญเท่ากันเพราะเสียสละในทรัพย์สินของของตนเท่ากันสัดส่วนความรู้สึกมันเท่ากันโอยเราเสียไปต้องร้อยละสิบเนี่ยคนนี้ก็เราก็เสียร้อยละสิบเหมือนกันแต่จํานวนเงินไม่เท่ากัน แต่ความรู้สึกที่เกิดข้ามเสียสละมันเท่ากันเน่ยเสียสละร้อยสิบเหมือนกันฉั้นคนจนนี่ได้เปรียบ ก, กว่าถ้าพูดถึงจํานวนเงินที่เราทำ<อ><อ>ทำน้อยกว่าแต่ได้บุญได้บุญเท่ากันและมากกว่าคนที่ต้องคนที่มีเงินมากกว่าคนที่รวยคุณดําครับบอกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความหมายที่ถูกต้องของคําว่าธรรมะคืออะไรกันแน่ครับธรรมะเลยนคับ ความหมายหลักของธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ยที่เราที่เรากล่าวไหว้พระธรรมก็คือเนี่ยกล่าวไหว้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะมีความมีศัพท์หลายมีความหมายหลายศัพท์ด้วยกันเช่นธรรมะนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เมืนที่พูดถึงสัพสัพสัตสัพสิ่งสัพสัตหรือก็เรียกว่าสัเมเบตธรรมะเป็นธรรมหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นธรรมอย่าง แต่โดยหลังแนละ้วถ้าเราพูดถึงธรรมะเมื่อพูดถึงคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องดูว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยูนะ่ถ้าเราพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ธรรมะอันนี้ก็คือคําสอนเช่นสอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือธร ร, รมะการที่เราอยากไปเกิดเป็นเทวดาต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับและก็พระอาจารย์เพื่อจะให้ถึงมิตรพานต้องทําอย่างไรครับ ถ้าเป็นเทวดาก็ต้องรักษาศีลห้าไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญทำสองอย่างบาปอย่าทำทำแต่บุญตายไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าอยากไปนิพพานก็ต้องไปถือศีลแปดปฏิบัติจิตตภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วสอนจิตให้ฉลาดให้เกิดปัญญาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนในโลกว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เทียมเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่ของเรา ก็จะไปถึงข้อนิพพานได้จะเรียนเพื่อนเพื่อนทาง t ิ k t o อกนะครับสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้แล้วนะครับการเียนสอบถามพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งครับตั้งใจทำทานช่วยเหลือคนแต่มาทราบภายหลังว่าคือมิจฉาชีพแบบนี้เราได้บุญไหมครับได้เพราะเราทำด้วยจิตใจที่เมตตาบรยสุดใจเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมิจฉาชีพ ถึงแม้มิถิาชีบางทีเราก็ต้องช่วยเขาเช่นนะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราอาจจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมความเมตตาต่อสัตประสัตว์ทั้งปวงแม้แต่ตำรวจที่ไปจับผู้ร้ายเมื่อมีการต่อสู้กันยิ่งผู้ร้ายบาดเจ็บตำรวจก็ยังต้องพาผู้ร้ายนี่ไ ป, ปรักษาพยาบาลก่อนที่จะไปกักขงังเรื่องดำเนินคดีต่อไปแต่ก็ต้องมียามเฝ้าไม่ให คนทีเป็นผู้ลายนี่เล่ น, นอนหนีไปได้เวลาที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลา น, นแล้วการทำบุญนี้มันเป็นบุญทั้งการทำกับใครทํากับสัตว์ในอาชาทำกับเสือที่อาจจะมากัดเราก็ได้มันก็เป็นบุญเพียงแต่เราต้องรู้จักวิธีทําเพื่อให้เราปลอดภัยถ้าทํากับสัตว์ที่มีมีอันตรายเราก็ต้องจับเขาขังไว้ในคุกในโกรแล้วก็ให้อาหาร สอนกไปในโครงไม่ใช่ปล่อยให้เขาออกมาอยู่ในอยู่ในบ้านเราเหมือนกับเราเลี้ยงสวนัขนี้ไม่ได้แต่ความเมตตาการความช่วยเหลือกันนี่มันสามารถทำได้กับทุกคนได้บุญเหมือนกันหมดนังไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วต่อไปเราก็อย่าไปทำถ้าเราทำเราไปสนับสนุนให้เขาไปทำบาปให้เขาไปทำให้คนอื่นเสียหายก็อย่าไปสนับสนุนเขาแบบนี้ คำถามที่สองครับถวายเงินให้พระได้ไหมครับได้เพียงแต่ต้องมีขั้นตอนคือพระรับกับรับเงินเก็บเงินไม่ใช้เองไม่ได้ต้องให้ฝากให้กับคนคนที่เชื่อถือได้เก็บไว้แล้วเวลาต้องการใช้เงินก็จะเรียกจากคนนั้นให้ไปจัดการซื้อของให้แทนแต่ไม่ได้การให้พระเก็บนั้นเองไปซื้อของเองแต่เวลาลรับมันก็จะมีมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ มันไม่ได้อยู่ที่รับวิธีรับมากกว่ามันอยู่ที่วิธีเอาไปใช้มากกว่าวิธีเก็บวิธีใช้เพราะสมัยนี้บางทีมันก็คนไม่รู้กันสื่อมมากก็อยากจะถวายกับพระให้ให้กับลูกศิษย์ก็กลัวไม่ได้บุญที่ว่าไปทําบุญกับลูกศิษย์ก็มีเพราไม่เข้าใจว่าทําไม่ไหน่อยก็เลยบางทีก็ต้องรบวบรลมตามตามความความความเชื่อของเขาว่าอยากจะได้บุญก็ต้องถวายให้กับพระโดยตรงแต่พระไม่ได้บอกพระรับโดยตรงไม่ได้จะทําไง อบางทีก็เลยต้องบางทีอาจจะต้องปรับหน่อยนี้แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่การเก็บการใช้มากกว่าอยาเก็บเองอยากไปใช้เองเวลาต้องการจะใช้ก็ให้คนที่เขาเก็บเป็นคนจัดการให้ของเราโดยเสนใหญก็เลยเขียนเป็นใบปรวารณาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์นั่นก็ฝากเงินไว้ให้กับนักศิอีกทีนึงสำนัก ระวัไว้ที่ที่พระกำหนดไว้ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกสิธย์จะมาเก็บไปให้บา mm hmm. งนีนบางทีไม่มีก็เอาใส่ถุงนี้ไปเลยถือถุงอยู่ mm hmm. <laughs> เราทำนี่ทุกวันนะมันผิดแต่ไมนผิดกรายอมรับแต่มันก็ไม่รู้จะทำางไงมันสะดวกที่สุดเพราะลูกสิษย์เขาก็ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการจัดการอาหารที่ได้มาจากการเินทบับ เราก็สียถุงวัตถุยุ่มไว้ใส่ไว้ในตรงนี้เดี๋ยวกลับไปให้ย้า้สิกเก็บไว้ให้ต่อไปแต่ช่วงนี้ต้องขออนุญาตขออนุญาตครับอาจารย์ไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวก่อนนี่ครับมีคําถามต่อเนื่องบอกว่าถ้าปรารถนาความเป็นเทวดาอันนี้ถือว่าเป็นปรารถนาที่ไม่ดีไหมครับควรจะปรารถนาพระนิพพานไปเลยถึงจะถูกกว่าไหมครับ ก็อยากอยากได้ปัญญาตีก็้วไปอยากได้ปัญญาเอกนั่นเองก็ยังดีถ้าเรายังค um. ิดว่าภูมิเราไม่ถึงปัญญาที่เอกก็ขออปัญญาตีก่อนก็ยังดีกกิดเป็นเทวดามันเหมนมันได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ดีก็ไปติดคุกติดตารางถ้าอยากจะเป็นเนรชาญก็เหมือนกันอยากจะไปติดคุกติดตารางเพราะเนรชาญเขก็ว่าจะจับขังไว้ในกรงนีะ การทําบุญใส่บาตรนี่จําเป็นต้องใส่ข้าวกับข้าวขนมน้ำให้ครบทุกอย่างเลยไหมครับอ้าก็ธรรมดาคุณกินข้าวอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยคนกินอะไรก็ใส่อย่างนั้นไปกันแล้วกันใช่ไหมอ่าคุณกินข้าวคณกินกับหรือเปล่าคุณดื่มน้ำหรือเปล่าเอ่าคนกินขนมมีของหวานหรือเปล่าซึ่งั้าคนไปซื้อของที่ตลาดที่มีแม่ค้าก็าาจัดใส่บาตรให้เขาก็จะจัดเป็นชุดชุดให้อ่ มีข้าวถุงมีกับข้าวถุงนึงมีน้ำโขดหนึ่งมีขนมชิ้นหนึ่งอะไรห่อหนึ่งแต่ถ้าจําเป็นจริงๆถ้าไม่มีไม่เป็นไรแม้แต่ข้าวทัพพีเดียวก็ใส่ได้อยู่ที่กําลังของเราข้าวทัพพีเดียวก็เป็นบุญเป็นเป็นเป็นกุศลเหมือนกันตามกําลังของเราแต่ถ้าเราทําได้ก็ทําให้มันครบชุดไปมันก็จะจ ะ, จะดี เพราะเราไมต้องเวลาซื้ออาหารให้เรากินได้ทําไมเวลาใส่บาตรเราทําไมทําไม่ได้ใช่ไหมก็คินอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวอันนี้ก็ได้เห็นใจอมีข้าวเปล่าคุณใส่ข้าวเปล่าอย่านี้ก็โอเคแต่ถ้าคุณมีข้าวมีกับแต่เวลาคุณใส่บาตรขอใส่ข้าวอย่างเดียวนี้ก็จะได้คุณยังยังโขงโขงกับข้าวอยู่ คุณวิสาครับกรณีที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนโดยภรรยาคนแรกยินยอมภรรยาคนอื่นๆก็เต็มใจบิดามารดาก็เต็มใจยังจะผิดสี่ข้อสามอยู่ไหมครับก็แล้วแต่ประเพณีถ้าปร ะ, ประเพณีเขาเขารับรับกันได้ก็ไม่ผิดประเพณีเช่นประเพณีของกษัตริย์ไทยก็สามารถมีภรรยาได้หลายคนมีพระมะเหสีมีอะไรมีนางสนมกำนั น, นอะไรต่างๆมันก็ ถ้าเป็นการถูกต้องตามอภเพณีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดสินข้อนี้ไปถ้าเป็นศาสนาอื่นแช่นิสลาเขาอนุญาตให้มีสี่คนได้ยังี้เขาก็ไม่ผิดการบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะตอนมีชีวิตอยู่ขณะนี้ถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ที่เราแบ่งตายไปอันหนึ่งให้กับคนที่เขาตายไวเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ อย่างเงี้ได้บุญทันทีแต่ถ้าบริจาคหลังที่เราตายไปแล้วโดยการ mm hmm. เขียนพินัยกรรมอัไนี้ไม่ได้บุญเลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราได้เวลาเราตายไปแล้วเขาเอาเอาไว้ไห้ว่าต่างๆเหล่านี้ไปทํำอะไรไมีไหมอย่างไรเราต้องรู้เราจะรู้ก็ต้องรู้ตอนที่เรายังไม่ตายตายแล้วเราไม่รู้แล้วเหมือนคนนอนหลับไปแล้วเวลาตาย การไหว้สารพระภูมิเป็นาศาสนาพุทธหรือเปล่าครับและการลอยกระทงเป็นาศาสนาพุทธหรือเปล่าครับไม่ใช่เรากมันเป็นความเชื่ออาจจะเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณมาไม่ทราบว่าจะเป็นของศาสนาไหหรือไม่ไม่ทราบแต่เป็นความเชื่อว่าเออที่เราอยู่นี่มันจะมีดวงวิญญาณที่เรียาเจ้าที่ยอดทางเราก็ต้องการสแสดงความเคารพแสดงความเป็นเมตรตาเขาแล้วก็เลยไหว้เขาเพื่อให้เขาจะได้ไม่มารบกวนเรา อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อลอยกระทงก็คิดว่าทำเป็นเป็นการลอยความทุกข์ต่างๆที่เราสะสมมาไว้ทั้งปีให้มันหัให้มันออกจากตัวเราไปแล้วก็ไปอาศัยพระแม่คงคาเป็นผู้รับความทุกข์ต่างๆของเราไปช่วยช่วยเดนความคิดทุกข์ต่างๆของเราไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องประเพณีนะเรื่องของการกระทําความเชื่อเชื่อว่ามีพระแม่คงคามีฤทธิ์มีเดช พี่จะสามารถเอาทุกต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเรา ท, ที่มีกับตัวเรานี้ให้มันผ่านให้มันหมดไปให้เราชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็ทําไปตามความเชื่อจะตามหลักศาสนาพวกนี้สอนที่ที่บุญที่ปบาสนะั้นที่เป็นตัวที่ทําให้เราสุขเมื่อเราทุกข์ถ้าตั้งใจจะไปนิพพานชาตินี้จําเป็นต้องเข้าฌานสีใหถึงก่อนไหมครับ ก็ต้องมีก็ต้องมีฌานมันถึงจะมีกำลังที่จะหออยุดความอยากได้ถ้าไม่มีฌานไม่มีมันจะไม่มีกำลังจะหยุดตอนนี้เรามีปัญญาเรารู้ว่ากิเลสความอยากเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เราก็หยุดมันไม่ได้แต่ <vic> Blessed, ถ้าเราฝึกสติทั้งสมาธิเข้าฌานได้เพอเกิดความอยากเรารู้มันรู้มันนำให้ใจออกทุกข์เราก็หยุดมันได้ทันที การปฏิบัติธรรมที่บ้านต้องปฏิบัติอย่างไรครับกาบรปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติถ้าเราท่านภาวนาวเราก็ต้องเจริญสติก่อนฝึกสติทั้งวันทั้งคือไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่ตางๆพยายามดึงใจให้ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือการกระทําต่างๆของร่างกายใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ เพิ่มนึ่ใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตถ้าเราหนึ่ใจให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่เฉยๆได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะนน่งสงบได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้ายังหนึ่งใจไม่ได้ปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดแวลนั่งสมาธิมันก็จะคิดต่อคิดจะกระนั่งฟุ้งซ่านกระทั่งทนนั่งต่อไปไม่ได้ยิงถ้าจะฝึกการปฏิบัติรรมคือการนั่งสมาธิยี้ต้องฝึกสติก่อน การที่เราเซ็นชื่อให้ทางแพทย์เพื่อการผ่าตัดแขนเป็นการรักษาชีวิตของพ่ออย่างนี้เรามีบาปไหมครับเรื่องมันไม่เรื่องของกฎหมายไม่ใช่แต่ว่าหมอก่อนหมอที่จะทําอะไรได้ก็ต้องมีผู้ที่มีสิทธิ์ทางกฎหมายทำอนุญาตเพื่อมีอะไรขัดข้างก็จะได้ไปปฟ้องร้องหมอไม่ได้เพาว่าหมอทําโดยกระรการหมอบอกว่าเจ้าของค่ายเขาอนุญาตให้ทํา แล้วเขาไม่ถือถโทษกวดเครื่องถ้าเกิดมีการผิดพาาด้วยเกิดความเสียหายขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องทางกฎหมา ย, ยนะไปงานบุญกรถินกับการทําสมาธิได้บุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับต่างกาันบุญที่ได้จากการทําสมาธนินี่มันมากกว่าบุญที่ได้จากการทําบุญกรถินความสุขมันมากกว่ากัน ความสุขเหมือนกับไปอยู่โรงแรมหนึ่งดาวกับโรงแรมห้าดาวเนี่ยมันต่างกันมัมคุหมอเกาอยู่โรงแรมหลายระดับใช่ไหมครับอ่ามั่งอ่ ะ, อะแบบนั้นอะ่ะถ้าเป็นความสุขของสมาธิกับไปในโรงแรมห้าดาวทาก็ถิน่นเงาโรงแรมดาวเดียวมันก็มีความสุขเหมือนกันแต่มันต่างกันมากน้อยต่างกันก็ พระบวชใหม่ครับมาบิณฑบาตแล้วให้พรยังไม่คล่องโยมแนะนําให้คําที่พระว่าไม่ได้จะเป็นบาปไหมครับคือแนะนําก็อยู่ที่ว่ามันคน ค, ควรไม่ควรนะเถ้าควรแนะนําแนะนําได้ก็แนะนําไปถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องทําก็ได้มันเรื่องเป็นเรื่องของท่านท่านจะให้พรก็ให้ไปแต่คำเป็นจริงแล้วพระไม่ต้องให้พรเวลาบิณฑบาต ถ้าจะให้พรก็ให้แบบง่ายๆพูดภาษาไทยนี่ก็ได้ขอให้สุขเจริญนะอันนี้ก็จบแล้ะไม่ต้องไปทําปกติผ้าใหม่นี่เคร่งต้องตรงบาลีเป๊ะทุกอย่างตรงแต่ตัวเองก็จำไม่ได้ให้แบบพีพีถูกๆไปเองควจริงไม่ต้องไม่ต้องสวนบาลีไม่ต้องสว น, อ, สวนอ่ดยะถาสัพเพิย์ถ้าจะให้พรก็แบบแบบง่ายๆก็คือขอให้สุขให้เจริญอันนี้ก็พอและเดินไปจะได้ไม่เสียเวลามากด้วย ผมอยากกราบผมอยากทราบวัดปฏิบัติของพระที่วัดยานว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากวัดป่าสายหลวงปู่มั่นอย่างไรบ้างครับเช่นการณีการฉันมือเดียวครับก็เหมือนกันแหะที่วันนี้ก็มีปฏิบัติที่นองก็ว่าฉันมือเดียวฉันในป่นาป็ฏิบัตเป็นวัดอยู่ในปา่าก็เหมือนกันขอพระอาจารย์ช่วย อ, อธิบายการเป็นผู้รับและผู้ให้ครับบางคนชอบให้อย่างเดียวไม่ชอบรับ บางคนชอบรับอย่างเดียวไม่ชอบให้ครับการให้ก็เป็นการทําบุญทําทานเนี่ยได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจการรับก็ได้ความความความสุขทั้งจากสิ่งที่เราได้รับเอาไปใช้ทําประโยชน์ได้ประโยชน์ต่างกันอคนให้เงินไปเนี่ยเขาก็มีความอิ่มใจสุขใจคนรับเงินเขาก็ดีใจเอาเงินที่ไปทําคุญทาประโยชน์ ได้เหมือนกันจะได้คนละอย่างคนรับนี่ไม่ได้บุญนอกจากว่าเอาเงินที่เขาให้มานี้ไปให้ใหทอดหนึ่งก็จะได้บุญต่ออีกทอด น, นึ่งจริงเขาให้มาแล้วเราไม่เอามาทำประโยชน์กับตัวเราเลยเราไปทํำประโยชน์กับให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลหรือไปช่วยวัดอื่นต่อรู้จังวันนี้เขาขาดแคลนพอเราได้เงินมาจากญาติโยมไม่จากใครที่เขาให้เรามาเราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญต่อเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไปใช้เราก็ไม่ได้บุญ แล้วก็ได้ไ ด, ได้ใช้ใจ่ายไปเท่านั้นเองทาอย่างไรจะให้ใจหลุดพ้นจากทุกใจที่เสียลูกชายไปเดือนกว่าแล้วก็ยังทุกข์และตรอมใจมากครับก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ตายเนี่ยอย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขากลับมาเพราะเขาไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาได้อย่างที่วันวันก่อนเทศสอนนิทานเนี่ยมันมีมีแม่คนหนึ่ง เพอทำลูกของมันได้ไม่ไหนไม่กี่วันก็เสียชีวิ ต, ตวอยากทำรักลูกอยากใช้ลูกเฟื้นขึ้นมาเลยไม่ยอมไปเผาไปผ า, ป า, ปาเก็บไว้ในบ้านก่อนลูกน้องของน้องให้เพื่อนบ้านเห็นก็สงสารก็บอกไปหาพระพุทธเจ้าเถอดพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้พระพุทธเจ้าท่านมีมีความสามารถมากเธอก็นดนใจก็โอ้อาจจะทําให้ลูกของเธอเฟื้นขึ้นมาก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าก็เอาลูกพาไปพาลูกไปด้วย พระเจบอกว่าเหมนทุกรองอะไรก็บอกว่าอยาก ใ, ให้ได้ยินว่าท่านาสามารถช่วยทําให้ลกูกดิฉันฟื้นขึ้นมาได้ช่วยช่วยหน่อยเถอดพระเจบอก อ, อ๋อง่ายมากไม่ใช่ของยากเลยเพียงแต่ว่าเธอต้องไปหาเมดเมล็ดผักกาดมาให้เราหน่อยแล้วเมล็ดผักกาดที่เธอได้มาเนี่ต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะท่านั้นเองแล้วก็ดีใจมีความหวังว่าออถ้าได้เมล็ดผักกาดมาแล้วพระเจ้จะได้ทําพิธีบุก ให้ลูกของเธอฟื้นขึ้นมาก็เลยรีบไปกลับไปหมู่บ้านเข้าประตูบ้านต่างๆบ้านไหนที่มีก็ถามพ่อมีมันได้ถักถากเขาบอกมีมีคนตายบ้างไหมขเขาก็บอกว่ามีไม่ป <Yeah. S 2> ู่ย่าตายายก็พี่ป้านะ้าอาทุกบ้านก็ทําต่อเหมือนกันเหมือนว่ามีคนตายในที่สุดแท้ก็เลยเห็นสัจธรรมความจริงว่าเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายตายช้าตายเร็วบางคนตายตอนแก่ไปบางคนตายตอน ตอนเป็นเด็กตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีตายหมดสอนพเจ้าให้เธอไปเรียนรู้ธรรมะด้วยตัวของตัวเองให้เห็นอนิจจังให้เห็นว่าการเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาก็าเลยยามรับความจรงิงหายเศร้าหายโศกเอารูปไปฝันทำชาปนกิจต่อไปเราต้องอยอมรับความจรงิงทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องนมีวันตายด้วยกันทุกคน ตางกันที่ตายก่อนตายหลังตายชาตายเร็วเท่นั้นในเอตที่เราเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้เราไม่ได้มองเห็นความจริงอันนี้ว่าทุกคนเหมือนเป็นเหมือนกันหมดเราคิด่าเกิดขึ้นกับลูกเราคนเดียวนะคนอื่นยังมีชีวิตอยู่คิดว่อเขาไม่ตายกันแล้กคนเหมือนกันหมดเนี่ยทุกคนที่ฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ตายด้วยกันทั้งหมดไม่ได้สามไม่ได้ใช่แต่เป็นเรื่องของความจริงสัจรูธรรมความจริงของชีวิต คนที่ทํางานให้ร้ายคนที่ทํางานเดียวกันแบบไม่เป็นความจริงคนที่ให้ร้ายบาปไหมครับถ้าไม่เป็นความจริงนะครเป็นการพูดโกหกก็บาปนะถ้าเป็นความจริงก็ไม่บาปถ้าพูดตามความจริงคนที่เขาหนีงานนะเขาไม่ทํางานเวลาผู้จัดการไม่อยู่เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ไปทําอะไรในงานนี้อย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะเป็นความจริงเนี บุคคลที่มีอุปนิสัยปัญญาวิมุตกับบุคคลที่มีอุปนิสัยเจโตวิมุตแตกต่างกันอย่างไรครับคือเขามีปัญญาจะฉลาดจะจะเข้าใจเรื่องของเหตุผลนี้ได้รวดเร็วกว่ากับคนที่มีวิอุปนิสัยเจโตวิมุตคนที่มีอุนิสัยเจโตวิมุตนั้จะมีความชํานาญทางด้านสมาธิทางด้านเข้าชายทางด้านมีอคตญยา ทางด้านปัญญานี้ยังไม่มีปัญญาไม่มีไม่ไม่มีปัญญาไม่มีตาทิขูทิศไม่มีไม่มีฤทธิเลศอย่างพระเจ้ายกตัวอย่างสองสองพระที่เป็นประหลัดชายประหลัดข่อยของพระพุทธเจ้าพระเจ้ายกย่องพระอสารีบุตรว่าเป็นฤทธิเลศทางปัญญาสามารถสั่งสอนคนนี้ถ้าได้ท่ากับเท่ากับพระพุทธเจ้สาสอนให้คนได้มีเข้าใจธรรมะแนละ้ว ปฏิบัติให้บรรลุธรรมได้รวดเร็วกว่าผู้อืนแต่พระโมคคัลลานี้ท่านยกย่อกเก่งทางด้านอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆไม่มีใครเทียบเท่าแต่ท่านย่อกให้พระสารีบุตรเป็นบาลัดบาลัดขวาเป็นผู้ช่วยขวามือส่วนพระโมคคัลลานี้ให้เป็นผู้ช่วยพระซ้ายมือเพราะว่าท่านถือว่าปัญญานี่สําคัญกว่าแต่ผู้ที่จะบรรลุ บรรผลไม่ผ่านได้ต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งปัญญามีทั้งมีทั้งอมีทั้งสมาธิก็เหมือนกับเรียนวิชาต่างๆแล้วก็ต้องผ่านอย่างน้อยก็สองจุดขึ้นไปแต่ละบางวิชาละาจะได้สี่จุดบางวิชาละาจะได้สองสองจุดนแต่ก็ผ่านเหมือนกันแต่ความชนานาญไม่เท่ากันความฉลาดความเข้าใจไม่เท่ากันบางคนชํานาญทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนชนานาญทางด้าน คณิตศาสตร์นะบางคนชำนาญทางด้านศิลปศาสตร์นี้แต่เขาก็สามารถทำอย่างน้อยผ่านได้คือสองจุดขึ้นไป่างนั้นบางคนก็ทำเกินสองจุดได้จนสามจุดบ้างสี่จุดบ้างบุญแค่เราคิดอยากจะทำเราก็ได้บุญแล้วใช่ไหมครับยามยามอย่าไปหลอกตัวเองมันเนจุดเริ่มต้น บุญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความคิดแล้วก็มีการกระทํำการกระทําสําเร็จแล้วบุญถึงจะเกิดการปฏิบัติที่จะพาจิตหลุดพ้นจากการเกิดต้องปฏิบัติอย่างไรครับปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยต้องสละทรัพย์สมบัติข้าของเองินทองที่เรามีอยู่ไปให้หมดแล้วก็ไปบวชไปไปรักษาศีลของพระเป็นนักบวชแล้วก็ไปภาวนาเจริญจิตตภาวนาสมาธิ สมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาคือสมาธิและปัญญาพอได้ครบได้เต็มร้อยก็สามารถที่จะบรบรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากกองทุกได้แม่เสียไปเจ็ดเดือนแล้วแต่ยังทำใจไม่ได้น้ำตาไหลทุกครั้งที่นึกถึงครับแต่พาะวาอยองไม่อยมอมเห็นความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเลย คุณวชิรวิทย์ครับปกตินั่งสมาธิดูท้องพองยุบขอเมตตาวิธีกําหนดลมหายใจแบบพุทโธเป็นแนวทางด้วยครับการดูลมหายใจนี้ไม่เกี่ยวกับพุทโธนะความจริงดูลมหายใจแค่ดูเพียงแต่ลมหายใจที่ปลายจมกูกดูว่าลมเข้าลมออกที่ปลายจมกูกเพราะเวลาลมเข้ามันจะไปแตะไปสัมผัสที่บริเวณแถวปลายจมกูกหรือเนื้อลิ้นฟีปากขึ้นมาเราก็เฝ้าดูตรงจุดนั้น เข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออ ก, ก, ออกไม่ต้องใช้พุทโธแต่อย่างใดแต่บางคนเขาคิดว่าถ้ามีพุทโธด้วยมันจะช่วยทําให้เขาไม่เผลอไม่ลืมเขาก็เลยใช้พุทโธด้วยเช่นหายใจเขา้าเขาก็ท่องพุทหายใจออกเขาก็ท่องโธหรือหายใจเข้าก็ทําพุทโธหายใจออก <pressured, S 2> ออก็ท่องพุทโธไปอันนี้แล้วแต่กรณีแต่ละคนแล้วแต่ความพอใจแต่โดยหลักจริงแล้วการภาวนาดูลมนี่ไม่ต้อง<ๆ>ใช้พุทโธแต่อย่างใด ดูลมอย่างเดียวก็พอหรือถ้าจะใช้พุโทโธก็ใช้พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้เราจะใช้ธรรมะข้อใดช่วยให้เรามีกําลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในครอบครัวครับา็ใช้ความเมตตาถ้าเรารักเขาสงสารเขาเราก็จะเราก็จะมีกําลังใจที่จะดูแลเขา ไม่เราเลี้ยงลูกเรานี่เรารักลุกเรามากเรามีความเมตตาต่อลูกเราล้วก็อดทนลูกเราจะงองแงจะเลี้ยงยากอย่างไรเราก็ทําไปเพราะความรักความเมตตาอาจารย์ครับอย่างหลวงตานี่ใช้กรรมฐานคือพุทโธใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่าสายหลวงปู่มัน่นท่านจะสอนพุทโธกันแต่หลวงตาท่านก็สอนอนานาบนารสติโดย ได้ทั้งสองอย่างใช้แทนกันได้คุณวันเพนครับเวลาจะตายเกิดเวทนารุมเรา้าจิตที่ฝึกสติมาจะช่วยให้ก้าวข้ามเวทนาด้วยการระลึกถึงพระรัตน์ตายหรือดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจสุดท้ายกับอาจารย์ช่วยชี้แนะในการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อใกล้ตายครับ อ, อ๋อก็ต้องฝึกให้มันผ่านก่อนตายเลยตอนต้เลยเหมือนเราต้องทาข้อสอบให้ได้ก่อนที่เราจะเข้าเข้าห้องสอบจริง อสอบซ้อมยังทําไม่ได้แล้วเวลาไปสอบจริงมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันเรื่นั้นทำข้อสอบให้ได้ก่อนที่เราจะก่อนจะไปเจอของจริงนั่งรับเจ็บก็อย่าเพิ่งขยับนะอยู่กับความเจ็บไปทําเจ็บให้นิ่ให้สงบให้จิตปล่อยวางความเจ็บให้ได้แล้วเราจะรู้ว่าเวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนี้ตักบาดออนไลน์ได้บุญไหมครับได้ก็มีก่อนท่องทับแทนเราเท่านั้น แต่เงินที่เราต้องบริจาคไปมันก็ได้จํานวนเท่าเดิมเท่ากันทาบุญร้อยบาทก็ได้บุญจะทำด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นทาก็ได้บุญร้อยบาทเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราทําเองเราก็จะได้บุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเพียรมีการกระทําเราต้องเดินทางไปที่วัดหรือเดินทางไปที่มีพระเป็นตัวบแต่ถ้าเราขี้เกียจไปเราก็จะไม่ได้อันนี้เราก็ฝากแม่ค้าทําแทนเา ไ ม, ไม่สะดกที่จะไปขนาดที่ดูกายกายเคลื่อนไหวหอย่างไรแต่จิตกลับยังคิดโน่นนี่อยู่บ่อยๆแก้ไขยอย่างไรดีครับควรท่องพุโทโธกำกับด้วยดีไหมครับก็ลองดูเสียง่าจะดีนะถ้ายูดูดูล่างกายแล้วมันยังคิดอยู่ก แ, แสดงว่ากำลังของสติตไม่มีไม่พอที่จะผูจิตไว้ให้อยู่กับร่างกายก็อาจต้องอาศัยพุโทโธมาช่วยกองกำลังหนึง ก็ท่องพูดโทรไปถ้ารูว่ามันคิดส่งลูกเรียนมีอาชีพที่ดีมีครอบครัวแต่เขาไม่นับถือแม่ตัดแม่แม่ควรทําอย่างไรจึงจะไม่เสียใจครับก็คิดว่าเป็นเป็นสิน่งที่เราห้ามเขาไม่ได้อย่าไปหวังอะไรจากเขาถ้าเราหวังเราผัวไม่ได้แล้ว เ, เราผิดหวังเราก็จะเสียใจ ถ้าเราเลี้ยงเขาเราเลี้ยงเอาบุญไปทําบุญทําทานไปไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราทําบุญด้วยเขาจะขอบใจเราหรือไม่เขาจะอะไรเขารบหลับหรือไม่เราไม่สนใจเราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังผลตอบแทนพอเขาไม่ตอบแทนตามที่เราต้องการเราก็จะเสียใจไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งนั้นถ้าไม่หวังก็จะไม่เสียใจ พอเรนถามว่าเราจะได้บุญจากการไม่ทําผิดศีลหรือว่าจากการที่เรามีกิเลสมีความอยากที่จะทําจะเป็นบาปแล้วเราไม่ทําตามความอยากและระ ง, งับได้เนื่องจากสงสัยว่าการที่เราไปบวชแล้วไม่มีอะไรมากระทบให้มีกิเลสทําบาปแต่ถ้าออกมาในชีวิตจริงออกจากบวชแล้วเราไม่สามารถต่อสู้กับมันได้มันก็คือเราไม่ได้ระ ง, งับมันได้จริงเพียงแต่ว่าเราอยู่ในที่ควบคุมม่ให้เรามีโอกาสทําบาปได้ต่างหากครับ อ, อ๋ออย่าไปคิดว่ากิเลสมันอยู่คนเดียวมันจะไม่สแสดงนิดได้อยู่คนเดียวมันก็สแสดงข้ออยู่ในความคิดได้แล้วมันก็จะผลักดันให้เราไปทําในสิ่งที่มันต้องการอยู่ได้งั้นอย่าไปคิดว่ามันอยู่คนเดียวอยู่ในป่าแล้วเราจะไม่มีกิเลสมาไม่มันกิเลสมันอยู่ในใจเราเห็นแต่ว่าตัวที่มากระตุ้ น, นอาจจะมีน้อยหน่อย ถ้าตัวข้างนอกไม่มีมันก็มีตัวข้างในสัญญาอารมณ์ครับคิดต่างๆที่เคยไปสัมผัสรอบรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมากระตุ้นอารมณ์ด้านกระตุ้นกิเลสด้เหมือนกันตอนอยู่ในป่ายัางคิดถึงอยากลงมากินก๋วยเตี๋ยวเลยครับอาจารย์บุญกระถินเราไม่ค่อยมีปัจจัยเอาแรงไปช่วยทําความสะอาดช่วยแรงจะได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกัน ไม่ได้ใส่บาตรแต่นั่งสมาธิเช้าเย็นได้บุญไหมครับอยู่ที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลสู้ใส่าบาตรไม่ได้เพราะใส่าบาตรปุมาได้ผลทันทีถ้านั่งสมาธิจิตไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้บุญแต่ถ้าใส่าบาตรปุมันได้ผลทันทีเพราะกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมยทันที ถ้าเราอยู่เฉยๆในที่ของเราแต่มีคนมาว่าร้ายใส่ร้ายหาทางมาบ้านเรามาที่ของเราซึ่งเมื่อมาแล้วก็กั่นแกล้งเรามาแล้วทำร้ายความรู้สึกเรารู้สึกตัวเองมีความโกรธจะระงับความโกรธอย่างไรครับก็คิดว่าเป็นเวรกรรมแล้วกันในเรื่องเรื่องอดีตชาติเราอาจจะเคยมีเวรมีกรรมกันมาเขาก็มาเจอเราพเพราะต้องการน้างแค้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เวรกรรมนี้มัน ต่อเนื่องพยายามแล้วก็อยู่เฉยๆให้อภัยเขาไปเขาจะบอกเวรย่อมไม่ไม่ย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรถ้าเขาทําทร้ายเราเราไปกลับไปทําร้ายเขามันก็มันก็ต่อให้เรื่องยาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาทาร้ายเราแล้วเราอยุดเฉยๆปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวเ้าเหนื่อยเขาหยุดเขาก็เขาก็จะเลิกลาไปแล้วก็จะไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไป ให้อภัยพระเจ้บอกให้ใช้การให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันการนั่งสมาธินี้จําเป็นต้องหลับตาไหมครับหลับตามันจะช่วยทำให้สงบได้ง่ายกว่าเพราะเราการดึงใจออกจากตาหูจมูกนิ้วกายให้ใจเข้าไปข้างในถ้าไปมลืมตาไม่เห็นนู่นเห็นนี่มันก็จะดึงใจใ ห, ให้อยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่ ถ้าเราไม่มีเวลาทําบุญตักบาตรแต่เราใช้วิธีทาบุญอย่างอื่นแทนเช่นนั่งภาวนาตอนเดือดเป็นบุญจริงเช่นกันใช่ไหมครับถ้าได้ผลเนี่ยถ้าไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้บุญถ้าจิตไม่รวมจิตไม่สงบเป็นสมาธิมันก็ไม่ได้บุ ญ, ถ, บ ถ, บญถึงแม้จะเป็นบุญมากบุญมากบุญใหญ่แต่มันเป็นบุญยากนะฮะไม่ใช่ทํามันได้ง่ายความบวชเป็นเป็นหลายหลายปีบางทียังทําใจให้สงบเข้าสมาธิไม่ได้เลยแล้วเราเป็นใครยังมานั่งสมาธิตอนเดึก เขาจะทําให้จิตรวมนี่มันยากนอกจากมีบาราีเก่าเคยเคยเข้าสมาธิมาแล้วมีสติกําลังที่ที่แข็งแรงที่พอที่จะสั่งให้จิตเข้าเข้าสู่ควารสงบได้ถ้าไม่ได้นั่งไปแล้วไม่ได้แล้วเหรอได้จากความพยายามได้จากความเพียรนั่นเอการฝึกจิตก่อนตายจําเป็นไหมครับ เราต้องฝึกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เตรียมตัวตายก่อนตายให้ตายก่อนตายไม่ใช่ไปไปไปฝึกจิตตอนที่จะตายมันทําไม่ได้หรอกมันไปดูหนังสือก่อนจะเข้าห้องสอบวันพรุ่งนี้ไม่ทันการพรุ่งนี้จะสอบแล้วไปไปดูหนังสือคืนนี้มันไม่ทั น, นต้องดูหนังสือมาล่วงหน้าก่อนจนกระทั่งพอถึงวันเข้าห้องสอบแล้วก็รู้ว่าเราพร้อมแล้ว คนที่มีพ่อคอยคุกคามข่มขู่ชกต่อยลูกสั่งให้ลูกหาเงินมาให้หลายแสนลูกไม่มีให้พ่อบอกจะฆ่าลูกฆ่าหลานซึ่งลูกไม่มีเงินให้แล้วไปแจ้งความอย่างนี้ลูกบาปไม่ครับแล้วจะมีวิธีจัดการกับพ่ออย่างไรครับมันก็ไม่ควรอนะ่ะพ่อพ่ อ, พอเขาเขาก็เป็นผู้มีพักคนกับเราเราไม่ควรไปทําลายเขาก็คนที่คอยหลบเหล็กไปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปก็แล้วกันอย่าอยู่ใกล้กัน พระเดินทางมาแวะทานกาแฟร้านดังโพส ต, สตลงเฟซเหมาะสมไหมครับนี่ไม่ใช่เดินทางนะแท้มากกว่า <c oughs> นนทำไมนี้มาบวชพระนอนที่ไม่ได้ศึกษาเลยลไม่รู้ด้วยการบวชบวชเพื่ออะไรเห็นว่าบวชแล้วมันอยู่ฟรีกินฟรีไม่มีตกงงานงงานึกจะไปหาเงินนี้ไปหางานทําไม่มีเงินใช้ก็ไปบวช ด, ดีกว่าบวชปุ๊บก็มีคนใส่บาตให้ให้ที่อาศัยให้บ้าน วันนี้ก็มีขาวมีคนแอบมาเป็นพระแล้วทำตัวเป็นคนพิการเนี่ยถือไม้คำแล้วก็สะพายบาทคนเห็นก็สงสารเอาเงินใส่บาทให้ตำรวจจับเ็กไปลนะบางคำสอนสอนว่าบุญทำเผื่อกันไม่ได้ใครทำใครได้แต่บางแห่งสอนว่าบุญอุทิศส่งถึงกันได้ความจริงเป็นอย่างไรครับ บุญอุทิศนี่ส่งได้แต่มันเป็นบญส่วนน้อยมากบุญที่ทําอย่างนี้ให้ใครไม่ได้ของใครของมันแต่บุญอุทิศต้องให้เฉพาะดวงวิญญาณที่เขาเดือดร้อนขเขามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ทําบุญแล้วอุทิศไปให้กับเขาได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดที่เราทําเนี่ยบุญส่วนใหา่จะอยู่กับเราบุญที่อุทิศนี่เป็นเพลงเสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทําแล้วส่งไป ไปงานกระถินเอาเงินติดพุ่มเสร็จแล้วกลับมาทำงานไม่ได้อยู่ร่วมจนเสร็จพิธีแบบนี้ได้บุญแล้วหรือยังครับถ้าเราสละเงินเข้าท้าไปแล้วก็จบแล้วก็ถือว่าได้บุญนะการละความโกรธโดยการเลี่ยงงดการโต้อตอบหรือการประทะเป็นแนวทางที่ควรมากน้อยเพียงใดจะลดละและทำให้โกรธจางหายได้อย่างไรครับ การโกรธก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเรื่องระบุคคลที่ทําให้เราโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ใช้สติคือพุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธไปให้มันลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธให้เราลืมคนที่ทําให้เราโกรธววิธีหนึ่งก็คือให้เราแยากตัวออกจากเขาไปอย่าอยู่ใกล้เขาแล้วก็ถ้ายังคิดถึงเขาอยู่ก็พยายามใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดมันไปถ้าอยากจะให้ทําให้ขายโกรธอย่างท้าวรก็คือเรา เราต้องให้อภัยเขาแล้วอย่าไปวังให้รจากเขาที่เราโกรธเขาเพราะว่าเขาเราหวังให้เขาทําดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยไปโกรธเขานัอาา้อย่าไปหวังให้จากเขาอย่าไปต้องการอะ้รจากเขาน่าจะไม่โกรธเขาเวลากวดน้ําไม่ให้พูดอุทิศให้เจ้ากรรมในเวนเจ้ากรรมในเวนใช่หรือไม่ครับพูดอะไรก็ได้ถ้าไ้่อยากจะพูดมัน แต่ที่เช้าให้อุทินก็คืออุทินวงบิญญาณของผู้ทีต่ตายไปมากกว่าแต่สมัยนี้บางทีเขาก็ชอบอุทินให้นู่นให้นี่ต้ก็พูดไปตามภาษาของเขาจนะได้หรืไม่ท่า น, นก็อีกเรื่อ ง, งป้าอาจารย์ครับอยากให้ศาสนาพุทธรวมเป็นหนึ่งแบบเดิมได้ไหมครับยังไม่อยากอยากว่ามันทุกดูการจริงจริงไม่เป็นไรจะเป็นหนึ่งเป็นสองถ้าทําหน้าที่เหมือนกันก็ใช้ได้ อาจจะต่างกันเพราะที่สีจีวรที่ใส่ทั่นเองเมื่ออาจจะต่างในบางข้อบางบางศีลบางข้อที่อาจจะมองไม่มองไม่ตรงกันเช่นพระกลุ่มหนึ่งก็บอกตับจับตั้งเงินทางไม่ได้มีเงินมีทาไม่ได้กันเขาก็อยู่กับพวกพระที่มีเงินมีเทาจับต้้งเงินทางก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็แยกกันไปศีลไม่เท่ากันแต่วิคำปฏิบัติก็ยังเหมือนกันอยู่ยังะศีล สมาธิ่ก็ยังเหมือนกันอยู่ปัญญาก็ยังเหมือนกันอยู่ เ, เก็บเงินไว้ซื้อของให้พ่อกับแม่แต่เห็นหมาแมวจนจัดอดอยากเลยเอาเงินซื้ออาหารให้หมาแมวก่อนอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าน่าจะต้องเลือกว่าคนในสำคัญกว่าถ้าทั้งคู่ต้องการความช่วยเหลือ เราไปช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือแมวมากกว่าไปช่วยเหลือพ really so ่อแม่นี่ยแสดงว่าเราไม่มีความกระตันอยู่ถ้าเรามีความกระตันอยู่เราต้องช่วยพ่อช่วยแม่เราก่อนถ้าเขาเดือดร้อนแต่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนแล้วเราอ่าเราบอกว่าตอนนี้มีสิ่งที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราไปช่วยยั้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่อแม่เดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องดูแลพ่อแม่ก่อนงแสดงว่าเรามีความกระตันอยู่บนตะเวที การสวดมนต์ทุกๆวันก่อนนอนช่วยฝึกสมาธิได้ด้วยไหมครับก็เป็นการฝึกสติวเวลาสวดมนต์แลว้วเรากเป็นการฝึกสมาธิแบบที่ไม่ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้แต่มันจะไม่ได้ความสงบเท่ากับการฝึกสมาธิพ่อเสียแล้วเวลาที่แม่ถามหาพ่อแต่เราไม่บอกความจริงบอกว่าพ่อไปวิปัสสนาเพราะกลัวแม่จะช็อกอย่างนี้เร า, าบาปมากไหมครับ ก็โกหกอ่ะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่ว่าความเสียหายมากน้อยถ้าความเสียหายน้อยโทษก็น้อยบาปก็น้อยถ้าความเสียหายมากโทษก็มากการบวชชีพราม์จะได้บุญหรือไม่ลูกขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงนะครับการบวชก็คือการถือศีลชีพราม์นี่หมายถึงการบวชไม่ในคําว่าดูถือศีลแปด จะได้บุญหรือไม่ก็ได้เท่าที่เราทําได้เราทําได้กี่วันแล้วก็ได้แค่แค่แค่ทำนั้นระมากจะ น, น้อยก็อยู่ที่ว่าเราเระบวช น, นานหรือไม่นานเพราะการบวชมันก็เป็นการเอาเสื้อผ้าไปซักเนีไงถ้าเราไปซักแช่ไว้นานหน่อยคราบสกปรกมันก็จะออกได้มากหน่อยแต่ถ้าเราไปเอาไปแช่ปุ๊บเดียวแล้วก็ออกขึ้นเลยมันก็อาจจะคราบสกปรกมันอาจจะออกไปน้อยกว่า ถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้บุญหไหมก็ได้ใจแล้วก็สงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากการที่เรารักษาศีลเวลานั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านควรจะทําอย่างไรครับต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องขยันพุโทโธพุโทโธเริ่มขยันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องลาวต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าเราก็คุมกวามคิดได้ มีสติอย่างตอเ น, นื่องเวลามานั่งสมาธิจิตจะไม่ฟุง้งซ่านจิต จ, จะนั่ง้สงบได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วการปฏิบัติตัวตามปกติที่บ้านทำจิตให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ก็พอใช่ไหมครับแค่คิดดีไม่ทำผิดศีลแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลใช่ไหมครับก็มันก็แล้วแต่ว่ามันมันได้ผลหรือไม่ได้ผล ถ้าจิตสงบจิตมีความสุขก็ได้บุญถ้าจิตไม่สงบจิตไม่มีความสุขก็ไม่ได้บุญช่วงนี้ทําบุญกระถิ่นกันแต่เราไม่ได้ไปร่วมครับแต่โอนเงินไปช่วยทางวัดหลายวัดได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกันทําทานรักษาศีลฟังธรรมแต่ภาวนาน้อยจะเกิดปัญญาได้หรือไม่ครับก็ได้ในระดับ ที่เป็นระดับต้นก็คือการฟังธรรมก็เป็นการเรียนรู้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่การเรียนรู้นี่มันก็ทำมก็ยังอาจจะไม่มั่นคงว่าเราฟังแล้วเดี๋ยวเาอาจจะลืมได้ถ้าเราอยากจะให้เป็นปัญญาอย่างต่อเ น, นื่องเราต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาพิจารณาอยู่เดิมๆมาคิดอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเมื่อไม่ลืมแล้วเรายังต้องไปฝึกสมาธิต่อ เพราะว่าถ้าเราไม่มีกําลังของสมาธิเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาไปหยุดกิเลสได้ยังต้องมีหลายขั้นตอนด้วยกันถึงจะได้ปัญญาที่เป็นปัญญาที่มีมีคุณมีประโยชน์ปัญญาที่เอามาดับความทุกข์ใจได้ต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาเมยภปัญญาขั้นที่หนึ่งฟังธรรมนี่เรียกว่าสุตตะมยภปัญญาการเรียนรู้ ขันที่สองจินตามญะปัญญาคือการทำที่เราได้เรียนรู้ไปพิจารณาไปคิดอยู่เรื่อยเพื่อมาให้ยืมแล้วขั้นที่สามก็คือเราต้องไปสร้างกําลังให้กับให้กับจิตก่อนคือไปฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตมีกําลังหยุดหยุดหยุดกิเลสให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วทีนี้ก็เอาปัญญามาสอนใจเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็หาสาเหตุ วากิเลสตัวไหนเป็นตัวที่ทรางให้ความทุกข์ให้ก็หยุดตัวนั้นไปก็จะทําให้ความทุกข์หายไปได้เพราะปัญญ า, า, า, านี้มีสามขั้นด้กันฟังอย่างเดียวยังไม่พอถ้ายัางฟังแล้ไม่สามารถไปดับความทุกข์ใจได้ก็แสดงว่าอมันไม่มีกําลังไม่มีจิตไม่มีกําลังต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มีกําลัง ไม่ได้ใส่บาทเลยแต่ให้ทานหมาแมวแทนทุกวันได้บุญไหมครับได้ภาวนาพุทโธควรภาวนาช้าเร็วอย่างไรครับแล้วแต่ความพอใจเร็วก็ได้ช้าก็ได้บางทีเวลามันจิตไม่ฟุ้งแล้วก็ไปแบบธรรมดาธรรมดาพอจิตฟุ้งเราต้องการที่จะให้มันให้ฟุ้งขึ้นจะต้องพรบริกรรมให้เร็วขึ้นก็นได้ในเวลามันง่วงนอนแล้วก็จะต้องบริกรรมให้มันเร็ว ไึ้หน่อยเวลามันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเหตุไม่มีปัญหาเราสามารถบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแบบสบายๆแล้วก็ทําไปบางครับการขับรถนะบางทีก็ขับได้เร็วบางทีก็ขับได้ช้าขึ้นอยู่กับสภาพจราจรจิตน้ำก็เปนเหมือนการจราจรบางทีมันก็ฟู้งบางทีมันก็ไม่ฟุ้งเนี่ยืเราสามารถปรับการบริกรรมของเราให้มันเหมาะสมกับสภาพของจิตได้ นอนฟังธรรมะได้กุศลไหมครับถ้าเข้าใจก็ได้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้ภิกษุสามารถจะดื่มสุราได้เท่ากับองคุรีจริงไหมครับและความหมายขององคุรีหมายถึงปริมาณเท่าข้อนิ้วมือหรือเท่ากับระดับน้ำที่เทลงสาวบาทสูงเท่าหนึ่งข้อนิ้วมือครับอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้ศึกษาายละเียเราขอข้ามไปนะ ทำอาหารดีสุดไม่เด่นมาดีสุดครับผมทำอาหารและเตรียมอาหารจัดชุดใส่บาตรแต่ไม่ได้ใส่บาตรด้วยตัวเองฝากคนอื่นไปใส่แทนได้บุญไหมครับได้แต่อาจจะไม่ได้บุญที่เกิดจากการความความเพียรความขยันที่อันนี้เราอาจจะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําเองแล้วให้คนอื่นทำให้กับเราเขาคนนั้นก็จะได้บุญส่วนนี้ไปบุญที่เกิดจากการทําความเพียร ในอานาปานสติเมื่อลมหายใจเข้าหรือออกดับเราจะพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังลักษณะได้หรือไม่ครับคือเวลานั่งสมาธิเราไม่พิจารณาทางปัญญาเราดูดูเพื่อให้จิตมันสงบไม่ให้จิตมันคิดแต่ถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาเราก็ต้องมาว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย พิจรารณาว่าร่างกายมันอยู่ที่อยู่เป็นนึกตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เพื่อให้เราจะพยายอมรับความจริงว่าร่างกายในี้สร็มันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติต่างกันเราต้องรู้ว่าเรากําลราปฏิบัติอะไรอยู่ถ้าเรางการปฏิบัติให้เจร็รวมเป็นสมาธิเราก็ไม่พิจรารณาไม่ดูอะไรให้ให้รู้รเฉยเฉยให้จิตอยู่กับลมไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะศึกษาดูความไม่เที่ของร่างกาย ถาเกิดล้วต้องตายก็ดูที่ลมนี้ก็ได้เพระคนที่ตายก็เป็นคนที่ไม่หายใจคนที่อยู่เป็นคนที่หายใจอยู่คนเดียวชีวิตรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครควรยึดสิ่งใดดีครับยึดความสงบนะถ้ามีความสงบแล้วจิตใจยังไม่เหงาจะไม่รู้สึกว้าเเวจะมีความสุขกับการอยู่คนเดีย ว, วจะไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวมันสบายกว่า จะแก้ความฝันที่ต้องตกใจตื่นจากความฝันร้ายทุกคืนด้วยวิธีใดได้ไดบ้างครับแนละหาสาเหตุออกจากฝันร้ายเกิดจากอะไรครับว่าทําบุญให้มากๆทาบุญให้มันมากกว่าบาปที่เราได้ทําไว้แล้วบุญที่เราทํานี่มันจะทําให้เราไปฝันดีหรือถ้าไม่อยากจะให้ฝันเลยก็ไปฝึกสตินั่นสมาธิทําจิตให้สงบเพราะจิตสงบแล้วก็จะไม่ค่อยฝัน กรณีที่นั่งสมาธิแค่เพียงลัดนิ้วมือหรืองูแลบลิ้นบุญสูงกว่าทานอย่างนี้ต้องเป็นสมาธิที่จิตรวมไหมครับใช่จิตรวมเป็นชาญสี่แต่เป็นใจรวมเน่เดียวเดียวแล้วก็ถอนออกมาถวายของในวันสําคัญวันเกิดกับพระที่วัดจำเป็นต้องใส่เงินไหมครับอยากรู้ว่าที่มาเป็นเพราะอะไรครับก็มันเป็นธรรมเนียมที่คนคิดว่า ญาติโ ย, ยมใช้เงินทองแล้วต้องคิดว่าพระกต้องใช้เงินทองเหมือนกันก็นเลยให้ข้าวอย่างเดียวก็ควรเดี๋ยวท่านจะขาดเพราะบางทีท่านอาจจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปซื้อยามารักษาอะไรทํานองนี้เขาก็เลยบริจาคเงินไปด้วยเผื่อเพราะว่าข้าวที่ให้นี้เอาไปรักษาร่างกายไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพระจะต้องเดินทางเอาข้าวนี้ไปจ่ายข้าวนวไม่ได้ เขาก็เลยคิดว่าก็ควรที่จะถอยเงินทองให้กับพระบ้างแต่เขาไม่รู้ว่าพระในสมัยก่อนนั้นเขาไม่ไปไหนมาไหนเขาจะเข้าป่ากันเขาจะไปทําสมาธิเขาจะเนินทุดงกันเขาไม่ต้องใช้เงินทองแต่พระในสมัยปัจจุบันไม่เข้าป่ากแล้วเข้าป่าคอนกรีตกันเพราะส่วนใหญ่ยังจะปเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อยู่วันนี้จะ ต, ต้องไปเนินทางไปอีกวันเพื่อไปเรียนปริยัติธรรม เรียนมัธยมตีโทเองเรียนบาหีก็ต้องมีการเดินทางการเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็เลยก็เลยมีการคิดถอยเงินทอนให้กับพระที่อยู่ในเมืองกันแต่พระที่พระในวัดป่านี้เขาจะไม่รับเงินรับทอนกันอยู่แล้วถ้าจะทอนเงินก็ทอนให้เป็นของวัดไปโดยกูบาอาจาะเป็นผู้รับรับแทนให้มาอยู่วัดป่านั่นตานี้เราไม่เคยได้ได้เงินสักบาทอย่างอยู่เก้าปีอยู่เก้าวันจา พราเข้าเข้าเข้าเป็นของวัดเป็นหมดแล้วหลวงตาเป็นผู้พิเศษนาวอยากวันนี้ไปใช้ประโยชน์ทางใดบ้างเนี่ยมาอยู่แล้วไม่เคยสนใจเรื่องเงินทองเลยสนใจแต่เรื่องภาวนาเรื่องสติอย่างเดียวหาสติไม่ได้ไปหาสตางค์พระแท้พระแท้ไม่หาสตางค์พระแท้หาสติครับทําบุญอะไรได้บุญที่สุดครับ ก็ อ, อยู่ที่กําลังของเราด้วยไม่ใช่ว่าทํำที่เรียนอะไรไ ด, ได้ได้ความรู้มากที่สุดก็เรียนระดับปริญญาเอกสิแต่คนเรียนได้หรือเปล่าล่ะก็ต้องดูกำลงังก่อนคุณอยากจะเรียนได้แค่ปวชหรือปวสหรือแค่มหกล้วคุณอยากจะไปเรียนรปริญญาเอกมันก็เรียนไม่ได้อยู่ดีงั้นก็ต้องรู้กําลังของเราว่าเราทําบุญในระดับไหนได้ก่อนหรือไม่ ท, ทาฐานได้หรือยังเสียสละแบบ่งปันเงินทองที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นได้ไหม ช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนือนล้นรักษาศีลได้หรือไม่แล้วค่อยไปคิดถึงบุญที่ใหญ่ก็คือการไปบวชไม่บำเพ็ญจิตตภาวนาะอันนี้แหะบุญใหญ่กว่าอยากทำได้หรือเปล่ามันก็ล้งมองกำลังของเราด้วยไม่ใช่เห็นเขาทำแล้วอยากจะทำเหมือนเขาแต่ทำไม่ได้บวชไปไม่กี่วันก็ขอกลับบ้านกอลาเสรก็มนี เวลาเดินจงกรมเราเพ่งพุทโธ ท, ที่ลมหายใจแทนการก้าวเท้าได้ไหมครับไม่ควรนะเพราะว่าลมาหายใจมันดูยากหน่อแล้วมันไม่เกี่ยวกับการก้าวเท้าแล้วควรจะมีสติอยู่กับการเดินมากกบ่าเพราะถ้าเราไปดูลมเดี๋ยวเดินไปเหยียบงูเหยียบอะไรเข้ามาเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้เวลาเดินต้องดูการเดินเป็นหลักเวลานั่งเท่านั้นที่เราจะดูลมได้ ในแต่ละเวลามีการเคลื่อนไหวทำอย่างอื่นต้องดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราส่งบุญให้ลูกๆไม่ทราบว่าเขาจะได้รับบุญที่เราส่งให้ไปไหมครับไม่ได้หรอกบุญเราให้บุญมันของกายของมันแล้วเราเราก็ยังอาจจะไม่ได้บุญก็ไดถ้าจิตเรายังไม่สงบ รักษาศีลแปดที่บ้านแต่ทํางานร่วมไปด้วยได้ไหมครับได้แต่มันอาจจะยากเพราะว่าเวลาศีลแปดเวลากินข้าวเราต้องกินข้าวก่อนเที่ยงวันนถ้วเราทํางานแล้วก็มักจะพักหลังเที่ยงไปแล้วถึงกินอาหารได้แต่ถ้าเราคิดว่าปรับปรับปรับไปตามสภาวะก็ยังถือว่ารักษาได้อยู่อันนี้กินกินตอนเที่ยงก่อนเที่ยงเรากินหลังเที่ยงไปหนึ่งชั่วโมงเช่นจากเที่ยงไปถึงบ่ายโมง อันนี้ก็ยังอยู่พอถือว่ายังพอที่จะอนุโรม ก, กันได้ถ้าเรายังมีภารกิจในการทํางานเนี่ยแต่เรื่องอย่าง่นนี้อาจจะทําไม่ได้เรื่องการแต่งไม่วแต่งตัวนี่แต่หน้าทาปากนี่ถ้าเสื้อสินแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่แต่งไม่แต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าก็แบบเรียบง่ายมชไม่ไม่ไม่เสริสวยๆกลางงานด้วยเสื้อผ้าพร้อมด้วยเครื่องสำอางต่างๆ การทำบุญกับพระและทำทานกับคนธรรมดาอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันอยู่ที่ปริมาณที่เราให้เข้าไปให้มากให้น้อยให้น้อยก็ได้น้อยให้มากก็ได้มากเราเสียภาษีได้บุญไหมครับเป็นสังฆทานไหมครับไม่ได้หรอกว่าเราถูกบังคับให้ทำแล้วไม่ทำด้วยความยินดีไม่ทำด้วยศรัทธาอยากจะทำเราทำเพราะถูกบังคับ ถ้าเราทําบ้างกว่านั้นเถอะท่านเขาภาษีก็เรียกเก็บร้อยหนึ่งเราจ่ายไปสองอร้อย่างเงี้ยขอทำบุญกับรัฐบาลด้วยอย่างเงี้ถึงจะได้บุญทนทนเกินนั้นอาหารที่จะใส่บาตรควรอธิษฐานก่อนไหมครับแล้วถ้าอาธิษฐานอย่างไรครับไม่ต้องอธิษฐานแล้วการใส่บาตรก็ทําเพื่อเพื่อให้เราได้ความสุขใจทําไมเราจะอธิษฐานไม่อธิษฐานเราก็ได้เหมือนกันเหมือนกับการกินข้าว ตอนกินข้าวเราต้องขอเราบอกว่าขอให้กินข้าวร้ออิ่ไม่ต้องขอใช่ไหมขอขึ้นไปเถอะอินมแล้วมันก็อิ่มเองถ้าจะไปขออย่างอื่นมันก็ไม่ได้ว่ากินข้าวได้แล้วขอให้ถูงอัล ต, ตรีรางวัลที่หนึ่งนี้มันก็ไม่ถูกมันคนละเรื่องกันอืคําว่าทิฐานนี้ก็คือการขอขอโน่นข อ, ขอนี่ถ้าเหตุมันไม่มีมันก็ขอไปจนวันตายมันก็ไม่ได้เหตุของการทําบุญก็เพื่อให้เรามีความสุขใจใอิ่มใจแค่นั้นเอง จะขอไม่ขอก็ได้ความสุขใจเอ็มใจนรัสศการพระอาจารย์ครับตอนนี้กําลัรงรอฟังผลตรวจครับวันแรกคิดหลายเรื่องตอนนี้คิดได้ว่ามันคือปกติไม่ตายโรคนี้ก็ต้องตายอยู่ดีไม่ตายตอนนี้ก็ตายอยู่ดีคิดได้แบบนี้สบายใจขึ้นจะดูใจว่าผลออกมาจริงๆจะรู้สึกอย่างไรครับอืมก็ดีอย่างนั้นเราก็เตรียมใจไว้ครึ่งหนึ่งนะพอเจอคามจริงก็คิดว่าน่าจะผ่าน ทาไม่ผ่านก็ต้องย้ำสอนอยู่เรื่อยๆสอนความคิดอย่างนี้เรื่อยๆยังไงก็ต้องตายอยู่ดีตายช้าตายเร็วไม่มีใครยกเว้นบางคนไม่ยอมรับของที่เราให้หลายครั้งที่รู้สึกเหมือนเป็นการเสียมารยาทจะวางใจอย่างไรดีครับเราตั้งใจจะให้แท้แทครับว่าถามเหตุผลเขเลยว่าทําไมไม่รับเขาอาจจะมีเหตุผลว่าเขาพอแล้วเขาไม่อยากจะรบกวนเรา เราก็รับความเป็นจริงของเขาไปเท่านั้นเองถ้าเราให้เขาแล้วเขาไม่นั้นเราก็าาไม่ต้องไปเสียใจเลยก็ดีจะลาไปให้คนที่เขาอยากได้วันนี้ไม่อยากได้ก็ไปให้คนที่เขาอยากได้แทนก็จบเท่านั้นเองเมื่ออาจจะเป็นเพราะว่าของที่เราให้เขามันไม่ดีพอสําหรับเขาก็ได้เช่นให้ของเก่าของนีของที่ใช้แล้วเขาเขาไม่เอาครับ เพื่อรวมงานชอบฟ้องหัวหน้าเรื่องคนอื่นรวมทั้งตัวเรารู้สึกโกรธเหมือนโดนหักหลังจะทำยังไงดีครับไม่โกรธเขาทำไมล่ะเขาจะพูดอะไรทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเรากโกรธเพราะเราไปหวังให้เขาดีดีกันเราไม่พูดร้ายกับเราไม่รายงานตัวความไม่ดีของเราให้กับผู้อื่นเราก็ทําล้วก็ลยโกรธเขาเนี่ยอย่าไปหวังอะไรจากเข า, เาก็จะไม่โกรธ การเปิดบทสวดมนต์ตลอดคืนและตลอดวันเวลาอยู่บ้านทํามาหลายปีแล้วจิตใจสงบทําแบบนี้ได้ไหมครับถ้าสงบก็ได้ถ้าสงบจากการฟังก็ได้ถ้าเราไม่จองเวรให้อภัยแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันจะได้หรือไม่ครับเพราะไม่อยากมีเวรแก่กันอีกครับได้ก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแยกกันไป ถาเจอกันก็พยายามทําใจเฉยๆพยาามไม่มีเวรมีกรรมกันคิดว่าตัวเองทําความดีมาตลอดแต่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตหลายครั้งเป็นเพราะอะไรครับว่าชีวิตมันไม่แน่นอนไงโลกนี้เราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งดีและทั้งไม่ดีเราต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเรื่องของกานิจกรรไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วสลับกันไป น, นี่คือเรื่องของชีวิตว่าอาจารย์ครับสุญญาตาเป็นแบบไหนครับก็สุญญาตาแเราความว่างสาหรับเราความว่างก็คืออยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีราบยศสาร ส, สุขอยู่กับความว่างใจจะได้ไม่ทุกข์ถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องทุกกับสิ่งที่เรามี ไปบวชแม่ชีไปบวชมานะครับแม่ชีแถมว่าบวชเอาอะไรไม่ได้ตอบกาบอาจารย์ชี้แนะด้วยครับเราจะรู้เราก็ต้องรู้เถึงเราไปบวชเพื่ออะไรถ้าไม่รู้เราก็ไม่ต้องตอบอ๋อไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบวชก็บวชตามเขาก็มีแล้วบวชตามเพื่อนก็มีเห็นเพื่อนบวชก็บวชตามเพื่อนไม่รู้บวชเพื่ออะไรเจอเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตา เห็นสัตว์เล็กถูกสัตว์ใหญ่กินควรขวางว่ากับสัตว์ไม่คับหรือควรปล่อยตามนิยธรรมครับถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าเราเป็นสัตว์เล็กแล้วมีคนมีสัตว์ใหญ่จะมากินแล้วก็วมีคนมาช่วยมันสัตว์เล็กจะรู้สึกไงก็จะรู้สึกว่า อ, อ๋ออยังยังอย่างได้รับกา ร, รยืดอายุอายุ ต, ต่อไปแต่อย่าไปทำลายสัตว์ใหญ่อย่าไปทำลายขามว่ า, ากันถ้าแยกเขาแยากกันออกจากกันได้ช่วยหน้ะสัตว์เล็กไม่ให้ถูกฆ่าได้ แต่ก็ไม่ไปทำร้ายสัตว์ใหญ่ก็ทาทำได้ก็ทำไปอย่างนี้ก็ดีสัตว์ใหญ่ก็เป็นด้อาจจะอดข้าวหน่อยอ ด, อดอาหารหน่อยแต่สัตว์ใหญ่นะ่า จ, จะจองเวรเราก็ได้นะอาจจะอาฆ่าพยาบาลเราก็ได้ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เจอเขาก็อาจจะกันเราไปได้เปิดบทสดมนแทนการสวดมนได้บุญไหมครับอยู่ที่ว่าฟังแล้วสงบแล้วไม่สงบถ้าสงบใจสงบ ลงกดเก่าจิตก่อนฟังฟงงุ้งซ่าคิด เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สบายใจพอฟังการสอนมาไปสักระยะงจิตหายหายจากความไม่สบายใจจิตเย็นจิตสบายอย่างนี้กไ็ได้ได้ประโยชน์ได้บุญถ้าเขาทําให้เราโกรธเราแผ่เมตตาให้เขาจะทําได้ไหมครับได้ก็เราอย่าไปโกรธเราอย่าไปโกรธเขาเราให้อภัยเขา ย่าไม่เขาโกรธเราแต่เราไม่ไปโกรธเขาไปบวชเจอผู้ดูแลดุว่าทั้งที่เราบวชรับศีลแปดไปแล้วจะต้องวางใจอย่างไรครับก็คิดว่าเราเป็นแขกแล้วเขาเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งเราบอกเราว่าต้องทำอะไรบ้างราก็ต้องทำตามเขาถ้าเราไม่ต้องการเราก็อย่าไปอยู่ที่นั่นเขาเป็นผูผู้ผู้คุม เป็นผู้ควบคมใช่เป็นผู้กำหนดกฎระเบียบต่างๆถ้าเราอยากจะไปอยู่ในที่นั้นเราก็ต้องยอมรับกฎระเบียบที่เขากําหนดขึ้นมาการนั่งสมาธิโดยกําหนดจิตไว้ที่ระหว่างคิ้วตามแนวทางแบบทิเบตสามารถทําได้ไหมครับเคยฝึกแบบนี้แล้วเวลาจะกําหนดดูลมหายใจที่จมูกมันจะติดขึ้นไปดูที่ระหว่างคิ้วอีกควรจะเลิกดูที่ระหว่างคิ้วหรือสามารถทําแบบนั้นได้ต่อไปครับ แบบไหนก็ได้ถ้าทําให้จิตมันสงบได้าการรักษาประเพณีเกิดกุศลผลบุญไหมครับถ้าเป็นประเพณีที่ดีก็เกิดเป็นประเพณีทําบุญนี่ถ้ารักษาแล้วทำบุญเราก็ได้บุญจากการกระทาทําประเพณีให้เรารักษาศีลห้าแล้วเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็เราก็ได้บุญก็อยู่เอาประเพณีนั้นเป็นประเพณีเพื่อให้เกิดบุญแล้วเกิดบา ถ้าเป็นประต้องกินเหล้าเมายากันอันนี้ถ้าเราทําตามเราก็จะได้บาปได้อภัยมุกนั้นประเพณีมีทั้งประเพณีที่ดีและประเพณีที่ไม่ดีประเพณีที่ไม่ดีเราก็อย่าไปรักษารักษาประเพณีที่ดีไว้ที่เป็นคนเปนประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราหลายๆครั้งจัทะเลาะ ก, กับแม่เพราะเวลาลูกอธิบายอะไรแล้วแม่ไม่ค่อยฟังเหตุผลเลย จะทะเลาะกันตลอดบางครั้งแม่ก็โกรธแม่โมโหใส่ถ้าลูกปิดวาจาไม่ขอสนทนาอย่างนี้ได้ไหมเหรือลูกต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับก็คุยกันได้แต่พอจะทะเลาะกันแล้วก็หยุดแค่นั้นเองคุยเรื่องปกติเขามีคำพูดว่าให้สหมหวนส่วนตาว่างภาษาส่วนเหมือนให้คุยในเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องการก็คุยกันได้เรื่องไหนที่เราเห็นตรงกันข้ามกันแล้วก็อย่าไปพูดแค่นั้นเองพูดแต่ในเรื่องที่เรา เห็นพร้อมกันให้เข้าใจกันครั้งหนึ่งเคยซื้อเหล้าให้พ่อดื่มรู้สึกบาปมากเลยครับจะไม่วิธีจะทําให้พ่อเลิกเหล้าได้ไหมครับไม่ได้หรอกพอจะเลิกเหาก็อยู่ที่ตัวพ่อตัดสินใจเองเราจะวางใจอย่างไรกับการที่เราต้องใช้ชีวิตคนในครอบครัวที่ดื่มสุราจัดซึ่งเราไม่ดื่มสุราเลยครับก็เป็นเรื่องของเขาอรับเขายืนหนึ่งเป็นเรื่องของเขา เราห้ามก็ไม่ได้เราอย่าไวเดื่มเองเขาก็แล้วกันเวลานอนหลับจิตเราอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ตอนที่เดิมเหมือนตอนที่เราตื่นจิตไม่มีไม่มีการเคลื่อนย้ายสถานที่เวลาทำบุญใช้คำว่าอนุโมทนากับคำว่าสาธุคำไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับอนุโมทนาบ่ า, ายินดี อาาเธอบว่าดีแล้วความหมายก็ไม่แค่นั้นใครทําบุญแล้วอนุโมทนาเขาชื่นชมยินดีกับการกระทําของท่านก็นุโมทนาเมื่อวอดีแล้วไปยินก็สาธทว่าดีแล้วทำบุญดีแล้วการกระทําที่ดีแล้วก็แล้วแต่เรามันก็มอบหมายเจอเลาเราก็เกิดแสดงความชื่นชมยินดีกับการทําความดีของพู้อ่นนะส่นสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาให้เขมีกําลังใจที่จะทำความดีต่อไป มันจะใช้อนุโมทนาสาธุไปเลยครับอเป็นออย่าเลยเออาะยินดีแล้วดีแล้วพระอาจารย์มีควาเห็นอย่างไรกับคําว่าพุทธวจนะครับพุทธวจนะแปลว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์คำว่าเจ้าเป็นภาษาเสียงบาลีกับภาษาอังกฤษอย่างอันใดอันหนึ่งพุทธพจน์พุทธวจนะก็เป็นคำหมายเดียวกัน พทุทธก็คือคำพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีท่านนั้นก็คือพระไตรปิฎกคําสอนในพระไตารปิฎกนี้ก็เป็นพุทธวจนะหรือเป็นพุทธพจน์นี่คาสอนของพระพุทธเจ้าคนที่จัดเตรียมของใส่บาตให้แต่ไม่ได้ใส่เองได้บุญไหมครับคนที่ใส่ไม่ได้เตรียมของใส่บาตครับคือมันมบีบุญสองชนิดบุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ใครเป็นเจ้าของ ใครคนที่เสียสละทรัพย์ก็ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์คนที่ใช้กําลังเอาของที่ไปถวายพระ ก, ก็จะได้บุญที่เกิดจากการมีความภาคเ พ, พยียร ม, มันเป็นบุญคลละอย่าง ก, กันเราสามารถจะประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้ไหมครับก็ในระดับในระดับแรกๆก็ยังทําได้อยู่ เรา还能รักษาศีลห้าได้ยังทําบุญทําทานได้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะมีความสําเร็จในในทางโลกอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นอะไรก็ได้เป็นสสก็ ส, ส, สวก็ได้เนี่ยเนี่ยก็จะทำในทางโลกทั้งทางธรรมเนี่ยได้ในทางทางโลกก็ได้เป็นสวทางธรรมก็ยังรักษาศีลยังทําบุญทําทานอยู่ยังฟังเทศน์ทำธรรมอยู่ ถ้าทำาพืไ่ไปเทคนิคจุดหนึ่งถ้าเราอยากจะไปบวชไปภาวนาเพื่อเจริยนสมถะวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมันจะยากทางกันนะไปด้วยกันไม่ได้ไปกระถิ่นเมื่อกลางวันวันนี้พรุ่งนี้กรวดน้ําอุทิศบุญให้พ่อที่ล่วงลับได้ไหมครับไา้กรวดเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาเน้นยมทํำทันทีเพราะถ้ามันพ่าเวลาผ่านไปแล้วบุญที่เราได้นั้นมันจางหายเป็นจากใจแล้วแล้ว เราความรู้สึกที่เราได้จากการทําบุญเนี่ยมันหายไปแล้วก็เลยไม่จะอุทิศอะไรไปให้กับคนที่รล่งรับไปนี่นเขานิยมทำตอนที่เราทําบุญเสร็จมันทางของข้าวเสร็จใหม่ๆก็ไปให้ให้เขาเลยไม่ให้เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพรุ่ง น, ะนี้ข้าไปให้เขาชัดเจนนะครับ <c oughs> ความหมายที่แท้จริงของคําว่าปัดจัดตังกับคําว่าสันทิถิโกเหมือนกันไหมครับ ปจจตังนี้หมายถึงเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนั้นปจัจจตังวินโยห์เห็นะว่าเป็นธรรมที่เฉพาะของคนคนวินโยชนคนเจริญท้าเนื่องแต่จะเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าได้เรียวปจัจจตังวินโยห์เหส่วนสันนิทิโกนี้หมายถึงผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการด้วยด้วยตนเองจากการปฏิบัติของตนนี่เรียาธรรมสันนินทนิโกอันทั้งอย่างนี้มันต่างกันสันนิทิกก็คือ ผู้ปฏิบัติจะจะจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคําสอนพระเจ้าเป็นจริงหรือไม่นี่เรียกสันติตรีก่อส่วนปฏิจจตามนี่หมายถึงเป็นธรรมที่เหมาะกับผู้ที่มีมีความฉลาดท่านนนั้ถึงจะเข้าถึงถธรรมของพระเจ้าได้ฆ่ายุงทุกวันเลยครับบาปหนักไหมครับก็ก็ต้องไปเป็นยุงให้เขาฆ่าแทนฆะ่าร้อยตัวต้องกลับไปเกิดเป็นยุงร้อยครั้ง ทำไมนั่งสมาธิภาวนาแต่หายใจสั้นทุกวันไม่หายใจยาวทุกวันเลยครับเพราะอะไรครับการหายใจสั้นหายใจยาวมันอยู่ที่ภาวะทางร่างกายถ้งร่างกายทำอะไรมามันจะหายใจสั้นแต่ถ้าร่างกายได้นั่งพังสัระยะหนึ่งหายเหนื่อายเหนื่อยการหายใจมันก็จะยาวหรือว่าถ้าจิตเราเราเครียดมันก็จะหายใจสั้นถ้าจิตเราสงบเบาลงมันก็จะหายใจยาว มันก็ขึ้นอยู่กับภาวะเหล่านี้ที่ทาให้การอาการหายใจของเราซ้ำระยะแมวเพิ่งหายไปวันนี้ครับจะทําใจยังไงดีครับก็พิจารณาว่าไม่เทีย่ยงไม่มีอะไแน่นอนเขาอยู่กับเวันนี้พุ่งนีก็ จ, จะจากเราไปก็ได้แล้วพรุ่มันกม่กลาจะกลับมาหาเราก็ได้กินได้ไม่มีอะไรแน่นอนคุณ ต, ตูนครับ อยากให้พระอาจารย์สอนการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเช่นขนคือขนอะไรครับก็ขนที่ไม่ใช่เป็นผมเลยขนที่ในส่วนหนึ่งของร่างกายขนลักแรขนอะไรต่างๆเหล่นี้ขนที่ขึ้นตามแขนตามขานี่ก็เป็นขนหมดแต่ถ้าขึ้นที่ศีรษะเราก็เรียกว่าผมตัวเองแต่มันก็คอนเนี่ยมันก็เป็นขนเหมือนกันแต่เราตั้งชื่อมันให้มันแตกไปเราก็เลยต้องก็ต้องแยกมันไป การพิจารณาการทําอีสองก็ให้เห็นว่าร่างกายนี้มันมีส่วนประกอบเหล่านี้มันไม่สวยไม่งามโดยเฉพาะถ้าเราเข้าไปดูภายใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอ น, น่าดูน่าชมเลยอาจารย์เราดูไปทีละอวัยวะหรือว่าเราเราดูสแกนไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับได้ทั้งนั้นอ่ะขอให้เราให้เราเห็นภาพความเป็นจริงของร่างกายกันก่อนเมื่อเก็อยากจะดูทีละชิ้นทีละอาการไปก่อน ถ้าต่อไปกันดูทั้งภาพรวมไปเลยหรือมองมองทีไรก็ทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นครบก็ดูเห็นปอรดตับใต้ไส้พุงก็ไปเปิดหนังสือดูหน่อยหนังสือว่าหนังสือที่เขามีอนาตมีอาจจะไม่ได้เป็นภาพถ่ายตา จ, จะเป็นภาพวาดก็ได้ก็ท้ายๆกันให้เห็นให้เห็นความจริงของร่างกายส่วนที่มีอยู่ใต้ผิวหนังที่ผิวหนังมันปิดกันไว้ตาไม่สามารถเห็นได้แต่ปัญญาสามารถเห็นได้ เห็นได้ดคมนิดจินตนาการตอนนี้ลูกสาวขึ้นวอดจิตนิติเวศครับอาจารย์ไปดูผ่าศพเกือบทุกวันครับเขาบองโอ้คนเราสวยแค่ผิวหนังจริงๆนะครับเพราะที่อยู่มาเลยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าของแต่งกายครับอยากจะลดจะต้องทําอย่างไรดีครับก็นใช่เหตุผลที่ว่าเราเสื้อผ้านี้เรามีไว้สวมใส่ ต้องมีกี่ชุดกันถ้าใจตามเหตุผลแล้วมีแค่สามชุดก็พอมีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักมีชุดหนึ่งไว้สำรองไว้เผื่อมันซักแล้วมันยังไม่แห้งมีแค่สามชุดก็พออย่างผ้าก็มีผ้าแค่สามผืนนั่นเองใช้เหตุผลในการใช้ผ้าผ้ามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อปกปิดร่างกายมีไว้เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อย แล้วก็มีไว้เพื่อที่จะป้องกันอาการที่หนาวเยน็นก็มีแค่นี้ที่เป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าเจอฝูงลูกแมวจรจัดจึงเอาอาหารไปเทให้ลินถนนซึ่งมีกองกิ่งไม้ทับถมแต่เราไม่ทราบว่าในกองไม้มีงูเหลือมแอบอยู่มาฉกรัดลูกแมวต่อหน้าต่อตาตายไปหนึ่งตัวเราพยายามช่วยแล้วแต่ไม่ทันรู้สึกไม่สบายใจควรคิดอย่างไรครับ เขาคิดว่ามันเป็นถึงเวลาสุดท้ายของเขาแล้วกันถึงเวลาที่เขาต้องตายทำไม่ดีไม่สนใจสามีเขาทำกับเราก่อนเราจะบาปไหมครับทำร้ายสามีไม่ไงทำไม่ดีกับสามีครับอาจารย์เขาก็ทําำก็ทําไม่ดีกับเราก่อนก็บาปนะไม่ว่าเขาจะทำก็เท้ากับจะทําเราไม่ดีไม่ดีไม่เกี่ยวกัน ถ้าเราทำไม่ดีเราก็บาปเช่นไปทำร้ายเขาถ้าเราไม่อยากจะทำบาป ก, ก็อย่าไปทำร้ายเขาให้อภัยเขาไปให้ความเมตตาเขาขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ว่ามีแนวการปฏิบัติอย่างไรครับปฏิบัติสติปัฏฐานเี่นี้มีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ ปฏิบัตสติก่อนสร้างสติขึ้นมาเมื่อการมีสติอยู่ที่ร่างกายร่างกายขึ้นไหวตลอดทั้งวันเราก็เฝ้าดูมวันทั้งวันอย่าให้ใจไปที่อื่นให้ใจคอยเฝ้าอยู่นี่เรื่องการจเจริญสติพอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็เปลี่ยนมาดูเราหายใจเขาออกเวลานั่งนะเวลานั่งสมาธิต้องก็เพ่งดูที่ลมอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกแล้วจิตก็จะรวมไปน็นเบปขาเป็นเป็นฌานขึ้นมา พอจิตเรามีช้มีกําลังแล้วเราก็ใช้กําลังของจิตนี้ไปศึกษาธรรมชาติของร่างกายของเวทนาและของของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นของเที่ยงเป็นของเราเราก็จะทุกข์ใจเพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายก็ต้องจากเราไปจะต้องตายไปสุขเวทนาที่เราอยากได้มันก็มามาไปไปบางทีก็มาบางทีก็ไป ถ้าเราอยากใชให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอไม่อยู่เราก็จะทุกข์อารมณ์ที่มีอยในจิตก็เหมือนกันจิตแล้วก็แปรปวนไปตามอารมณ์ต่างๆบางที้ก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์เสียถ้าเราอยากใชใ้จิตอารมณ์ดีอย่างเดียวเราก็จะเสียใจเวลาที่จิตเปลี่ยนไปเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่แน่นอนมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งร่างกายทั้งเวทนาทั้งจิตอันนี้คือั้นปัญญาสอนจิตเพื่อให้ปล่อยวา่า จิตความอยากในในร่า ง, งกายในเวทนาในอารมณ์ของจิตถ้าปล่อยแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปรวนของร่างกายของเวทนาของจิตใจก็หลุดพ้นบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปรูปภาพพระสารพระภูมิมักจะยกมือไหว้ซ้ําๆสามารถเปลี่ยนเป็นบริบรกรรมพุโทโธอย่างนี้ทาได้ไหมครับ ก็ลองทํำดูสิถ้าเปลี่ยนได้ก็ลองทำดูงานะต้องใช้ความพยายามมากเพราะเวลาที่เราจะเปลี่ยนทิสัยนี้มันก็ต้องฝืนต้องบังคับเพราะการทําตามนิสัยมันง่ายมันอัตโนมัติพอเรารู้ว่าวทําแบบนี้ไม่ดีเราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับการที่เราต้องเปลี่ยนมือซ้ายมาเป็นมือขวาอย่างนี้หรือมือขวาเป็นมือซ้ายถ้าเราถนัดขวาแล้ว เ, เราอยากจะมาใช้มือซ้ายเราก็ต้องบังคับต้องฝึกใหม่ชั้นใด แล้วก็สามารถใช้พูดโธได้แต่ต้องบังคับต้องฝืนต้องฝึกใหม่อขอบคาณครับครับอาจารย์ครับ <c oughs> วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟซ780ท่านนะครับในยู668ในกลับสิทใน t ิ k ตอก489รวมเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ 1,947 ท่านนะครับอ่านคำถามแรกตอน2ทุ่ม12นาทีพระอาจารย์ตอบไป102คำถามนะครับ <c oughs> ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่ว ม, มสนทนานถามตอบคำถามหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อนำมาใช้ดับความทุกข์กต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการสนทนานทำตลับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิย่งขึ้นไปเอทอสาธุ